วันนี้เป็นวันกลางกระถิ่นในวันเพื่องภาละความกังวลในไกลจีวรนทางที่มีในพระวินัยแล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายมากนะรับกระถินแล้วได้รับความสะดวกหลายอย่างหลายอย่างที่ตามท่านแสดงไว้ในพวินยัย น, นี้ผู้ที่จะออกหาทีวิเวกสงัดเพื่อบําเพ็งความดีงามทั้งหลาย ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดังองค์ศาิราช พ, พาดำเนินมาเดี้ยวอยู่ในป่าในเขาในสถานที่สงบงบเงียบปราจักปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายซึ่งเป็นฆ่าสึกต่อธรรมหาอยู่ในที่สะดวกสบายการขบการฉันการอยู่ความเป็นอยู่ปว่วยของพระผู้มุ่งต่ออดธรรมอย่าง ยิ่งแล้วจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอยู่ได้ทั่วทั่วไปที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นกินได้ใช้ได้เพราะการใช้ไม่ค่อยมีในวงกรรมฐานมีบริขารแปดจะใช้อะไรการโขกการขารันบินสบัสดจากชาวบ้านเข้ามา <c oughs> ได้เท่าไรแล้วก็เป็นที่พอใจแล้วยังกำหน ด, ดในความพอดีกับาธาตุกับขันของตน และสิ่งใดที่เป็นภัยต่อท่าขันหรือเป็นโทษต่อพระวินัยเราก็ทราบเองตามหลักวินัยมีไว้เรียบร้อยแล้วขันเฉพาะให้เป็นความเป็นอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีความเหลือเฟืออะไรเลยสำหรับพระผู้มุ่งปฏิบัติมีตั้งแต่อาจแต่ทรรมยืนเดินนั่งนอน มีสติเป็นพื้นฐานสำหรับพระเราผู้มุ่งต่อต่อธรรมสติความเรียกรู้อยู่กับความเคลื่อนไหวของใจสติจะจับอยู่ที่ใจใจคิดกรุงเรื่องใดออกมาส่วนมากต่มากจะมีแต่เรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเรื่องอดั้งธรรมที่จะคิดออกมานี้ไม่ค่อยมี มีเป็นปกติของใจดวงนี้ที่บรรจุขี้เลศความสกปรกโสมุมไว้เป็นเวลานานกี่กับกี่การนับไม่ได้เลยมันจึงมีความเคยชินคล้องตัวในความคิดความปรุงความรู้ความเห็นไอเป็นอันเป็นทางของที้เลศโดยฉายเดียวได้ตลอดเวลา <c oughs> ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะหากห้ามวัตวน คือความเกิดแก่เจี่ยวกายซึ่งหาถามเพราะด้วยคกองทุกต่อพกชาตินั้นนั้นจึงต้องได้บำเพ็ญสติให้ดียับยั้งสติจิตให้อยู่กับสติความชิดความปรุงอันใดออกมาจะเป็นเรื่องของกิเลสเราไม่อยากว่าแทบทั้งนั้นนะอยากจะพูดว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสําหรับปุถุชนคนหนาเรา แท้ข้างนั้นนี่ได้แต่ผู้ที่บำเพ็ญพอสมควรแล้วมีทางธรร ม, มะบ้างมีทางกิเลสมากกว่าบ้างต่อไปก็มีทางธรร ม, มะกับทางกิเลสผลัดกันแพ้ชนะไปเรื่อยๆถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามก็แสดงออกตามความต้องการของตนไม่ได้เพราะทางเดินของกิเลส ภายในกิจใจจะเดินออกมาทางสังขารความคิดความปรุงต่างๆซึ่งกิเลสอยู่ภายในอีกอันหนึ่งท่านให้ชื่อว่าอวิชชานั่นหละเป็นปัจจยัยสร้างขาา้าราเป็นเครื่องหนุนให้เกิดกิเลสคือความคิดความปรุงเรื่องกิเลสขึ้นมาตาก็อยับดูหูอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากนี้ทั้งนั้นที่เ <c oughs> ถ้าไม่มีสติไปได้วันย่างคา ผลกองทุกมาทับผมตัวเองได้ไดตลอดเวลาถ้ามีสติแล้วหากข้ามไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงในเรื่องทีเละทั้งหลายซึ่งเคยคิดปรุงมาดานแสนนา น, น, านไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมิจะเรื่องความทุกข์ความเสียไปเท่านั้น <c oughs> จึงต้องบางครับผู้ที่ฝึกหัดจิตใจในเบื้องต้นอย่าปล่อยว่างคําบริกรรมเราเคย รือคำบริกรรมใดซึ่งถูกต้องกับจริตนิสัยของเราเช่งพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้มารณนักติก็ได้หรือทรรมบทอื่นใดก็ตามเมื่อเป็นอัตเป็นธรรมถูกต้องกับจริตนิสัยแล้วให้เอา ร, รมบทนั้นๆที่ตนชอบใจเข้ามาเป็นคำบริกรรมกรรมกับจิตใจ ให้ใจทำงานด้วยคำบริกรรมนั้นๆแล้วสติจดจ่อบังคับงานให้ทำหน้าที่ที่สติสั่งไว้เช่นคำบริกรรมไม่ให้เคลื่อนข้า จ, จากคำบริกรรมจะเสียดายความชิดความปรุงมากน้อยเพียงไรนั่นคือเสียดายเรื่องกิเลสเรื่องวัตถทุก์ที่จะจมไปอีกเป็นเวลานา น, านไม่มีสิ้นสุด ไม่ต้องเสียดายให้เสียรายจิตใจที่จะเผลอไปตามที่เลศให้ตั้งสติว่าอยู่สม่ำเสมอยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาที่สติควบคุมจิตใจซึ่งเป็นนักโทษเป็นผู้ท้องหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติควบคุมแล้ว จิกก็ไม่มีกิเลสเข้ามาโรบหวนจะมีแต่ธรรมคือคำบริกรรมอันเป็นงานของธรรมล้วนๆไม่ใช่งานของกิเลสทำงานอยู่ภายในหัวใจมีสติเป็นเครื่องการรกับรักษาอยู่โดยสม่าเสมอตลอด <c oughs> เราไม่ต้องกาหนดเวลานั้นเวลานี้สติจะมาสติจะเผอไม่ถูกครั้งนั้น เพราะกิเลสเป็นกิเลสวันย่างคัมเป็นพื้นฐานของกิเลสอยู่แล้วในหัวใจของเราเราจะนำธรรมเข้ามาเป็นมรรคเป็นตอนสําหรับผู้ ม, มุ่งต่อตอดธรรมอย่างยิ่งแล้วไม่สมควรกันเลยควรจะได้ติดกันเป็นพืชเช่นเดียวกับกิเลสฝังในหัวใจเป็นพืชเรื่อยมาก็ให้เป็นพืชเรื่อยไปเช่นเดียวกันด้วยการตั้งสติให้ดีท่านทั้งหลายจําให้ดี เรื่องสตินี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวในวงความเพียรเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสจงกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะพาจับข้ามสติไปไม่ได้เป็นอันขาด <c oughs> สติเป็นพื้นฐานเริ่มต้นก็ตั้งกำหนดด้วยคำบุริกรรมพอจิตใจในราบคำบุริกรรมสติติดแนบอยู่ตลอดแล้วความคิดความปรุงที่มันผักดันออกมา อยากคิดอยากกลุ้มแรงนั้นแรงนี้นี่มันจะมากขนาดไหนเราตั้งสติไว้ให้ดีไม่สามารถที่มันจะคิดออกมาได้เลยนั่นหละสักกิเลสจะมีอยู่มากน้อยมันจ ะ, จะอยู่ในตุ่มเราไม่เปิดปากตุ่มให้มันคือเอาคาบุญกรรมกับสติปิดปากตุ่มไว้แล้วมันกิเลสมันก็ออกมาไม่ได้ <c oughs> นี่ฮท่นตั้งเข้านา น, านเข้านานเข้ า, น า, นาน จิตที่พักดันออกมาด้วยกิเลส <c oughs> อยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเหล่านี้จะค่อยเบาลงเบาลง <c oughs> จิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยคำบุริกรรมโดยทานสติแล้วจะค่อยมีความสงบเย็นลงเย็นลงโดยลําดับโดยลําดั บ, ดลดบแล้วจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบได้สงบถึงขั้นแน่วแน่เลยสงบจนกระทั่งที่คำบุรีกรรม ที่เราเคยกำหนดบทใดก็ตามเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นกำหนดกาหนดปิดกันเป็นสายยาวเหยียดมานี่พอถึงขั้นจิตเข้าสู่ความสงบแล้วความคิดกรุงด้วยคำ ม, คำมือกํามเหล่านี้จะหมดไปในเวลานั้น <c oughs> กำหนดให้คิดให้ปรุงอะไรก็ไม่ได้เหลือแต่ความรู้ล้วนว น, วนอยู่ภายในจิตเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้ กัหนดสติตั้งลงในจุดคือความสงบของใจหรือความสง่สงาของใจความละเอียดของใจที่เรียกว่าสงบตัวนั้นไม่ไม่ปล่อยให้ไปไหนที่จิตเวลาสงบ <c oughs> ลงไปนานควรแกการแล้วจะถอยตัวออกมาเมื่อถอยตัวออกมาควรแจการบริกรรมได้แล้ว ให้กำหนดคำบริกรรมปิดเข้าไปอีกเลยด้วยสตินี่ท่านทั้งหลายจำให้ดีวิธีการเหล่านี้ได้ดำเนินมาแล้วไม่สงสัยให้ทำอย่างนี้ตลอดไปทีนี้จะเริ่มมีความสงบเย็นสงบเย็นอารมณ์รบกวนคือสังขารออกมาจากสมอชัยนั้นจะเบาลงเบาลงจิต ท, ที่บำรุงด้วยอัดด้วยทำคือคำบริกรรมนี้ จะมีความสงบแน่นหนามั่นคงมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นสมถะธรรมเป็นใจที่สงบไม่อยากคิดอยากปรุงจากงานความสงบนี้จะส่งผลไปถึงจิตใจให้เป็นใจที่มีความแน่นหนามั่นคงก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากสมถะธรรมที่เราอบรมอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับคำบริกรรมนี่แหละอันนี้กระหนุนกันไปจนกระทั่งจิต เป็นสมาธิคําว่าสมาธิคือจิตตั้งมัน่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวแน่หนามัน่นคงแม้เราจะคิดปรุงแต่งเรื่องใดได้อยู่ก็าตามแต่ฐานของจิตคือความแน่หนามั่นคงจะไม่ละตนเองจะมีความแน่หนามั่นคงอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในภาคปฏิบัติจิตสงบเป็นอย่างหนึ่ง คือสงบด้วยจิตรวมลงหลายครั้งหลายหนแต่ละหนโหนเรียกว่าจิตสงบจิตสงบเมื่อรวมลงไปทีไรก็ส่งผลหนุนให้จิตมีความแน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ <c oughs> ที่นี่เรื่องอารมณ์และอิ่มอยากจะคิดจะปรุงอะไรตั้งแต่ก่อนซึ่งเหมือนจะอกจะแตกไม่ได้คิดได้ปรุงเหมือนว่าอกจะแตกอยู่ไม่ได้ก็ตาม พอจิตเข้าสู่ความสงบเรื่อยเข้าสู่สมาธิแล้วความคิดปรุงทั้งหลายเหล่านี้จะไม่หีจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยดีดดิ้นมาแต่ก่อนเพราะความสงบเป็นพื้นฐานให้เป็นที่อยู่ของจิตแล้วจิตก็สงบเย็นนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จิตเป็นสมาธินี้อยู่คนเดียวละเหมาะที่สุดอยู่ที่ไหนในต้นไม้ภูเขาตามถ้าเหมื้อผาจะเป็นอารมณ์อันเดียวของผู้มีจิตเป็นสมาธิเจรินอยู่กับความเป็นสมาธิอารมณ์อันเดียวคือมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเจือปนคือสังขารไม่ปรุงเอาเรื่องราวเข้ามาผสมใจใจก็เป็นอารมณ์อันเดียว <c oughs> เรียกว่า เอกัคตาจิตเอ ก, าากัคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวนี่เป็นสมาธิแล้วคิตอิ่มอารมณ์แล้วที่เมื่อคิตอิ่มอารมณ์เอาเริ่มต้นมาตั้งแต่คิตอิ่มอารมณ์มากน้อยพอได้โอกาสให้พิจารณาทางด้านปัญญาออกทางนิพพสนานี่แหละการถอนกิเลสจ้าถอนด้วยปัญญาไม่ได้ถอนด้วย สมัติธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นแต่แปลงว่ส า, าสมถะกับสมาธิธรรมตีอารมณ์ทั้งหลายของกิเลสที่มันพาฟุงา้งซ่านนาคานให้เข้ามาสู่ความสงบด้วยบทสมัตธรรมนี้เท่านั้นนี่พอจิตสงบเข้าไปแล้วในโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องขันลักวิชาที่ใหญ่โตมากที่สุดเราทุกๆุท่านได้บวชมาแล้วได้ ศึกษาจากอุพชามาด้วยกันทุกคนแม้พระพุทธเจ้าปริพาน์ไปแล้วกว็าตามหลักวิชาที่ตายตัวซึ่งเป็นองค์แทนจัดสดานี้คือคำสอนก็มาติดมากับอุปชาสอนเราให้ปฏิบัติตามนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับการก้าวเดินตาม <c oughs> รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าว่าเจษาเจษาคือผม ผมมีทุกขนทั้งโลมาคือขนหาขาคือเล็บหันตาคือฟันตะโจคือหนังนี่เรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นฐานที่ควรแก่การงานของผู้จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ให้นำสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณา เบื้องต้นที่ยังไม่มีปัญญาเราเจะคาบริกรรมคําใดก็ได้มาเป็นคําบริกรรมเพื่อความสงบของใจก็ได้นี่เป็นได้ทั้งอารมณ์แห่งสมถะเป็นได้ทั้งอารมณ์แห่งวิปัสนาเมื่อกิตเรามีความสงบเย็นแล้วให้แยกจากสมถะอารมณ์มนี้เข้าสู่วิปัสนาแยกดูธาตุดูขันดูผมดูเล็บดูฝันดูหนังดูเนื้อ เอ็นกระดูกตลอดเพราะท่านสอนแต่โจหนังเป็นครั้งสุดท้านั้นท่านสอนให้เป็นเวลาให้กับพอเหมาะพอดีกับเวลาเลาพราะหนังนี่หุ้มหอ่อหมดสกลกายของหญิงของชายของสัตว์ทั้งมุคลสัตว์ทั้งหลายหลงกันด้วยหนังบางๆนี่แหละไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยมันหนังเท่านี้แหละนอกนั้นเป็น ไปด้วยอรุพะอรุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาเต็มไปหมดในบุคคลและสัตว์เมื่อถึงเวลาที่เราจะพิจารณาให้ดูไมพิจารณาแยกดูเรื่องผมเกิดขึ้นมาอย่างไรถ้าฐาน ท, ที่อยู่ของผมคื อ, ค, อคืออะไรก็โลกศีรษะก็โลกศีรษะมีความสวยงามมีความสะอาดสะอาดอย่างไรบ้างฐานที่เกิดของมันก็สกรปรกที่อยู่ของมันก็สกรปรกเลขา โลมาขนก็มานกันเกิดในพื้นฐานอันเดียวกันเป็นความเจ้ากระโปกเช่นเดียวกันหน้าขาเล็บนี <c> ่ <oughs> เล็บเราก็ดูเล็บเขาเล็บเรามันสะอาดมันสวยงามที่ไหนนี่ให้พิจารณา ด, ดูเ ล, <c oughs> เล็บเล็บเรวกัน <c oughs> พิจารณาหนังที่พอถึงหนังและครอบหมดทั้งสกลละกายผิวหนังบางๆเท่านี้เองมันหุ้มห่อให้สัตว์โรคหูหนวกตาบอด ลืมบุญลืมบาปแล้วมาลึกถึงบุญถึงบาปได้เลยเกลียบบาปเกลียบบุญไปหมดมเห็นพิเศษตั้งแต่ความมืดบอดของตอนเองเกลียบด่าไปเลยนี่เพราะหนังนี่เป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณานี้แล้วเอาแยกเข้าไปที่นี่ท่านสอนไม่เพียงแค่นี้แต่จโจหนังที่จ่ายนั่นอาการสามยี่ส้อเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกห้าม หมักหัวใจตัดพังขือไตปอไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาคุยเฉียงคุยคน้นดูสภาพของร่างกายในตัวของเรานี้ทั้งหมดหาสาระแฝงสารใดไม่มีเลยเราก็หลงอย่างหูหนวกตาบอดไม่ลืมหูลืมตาหลงมันจนนิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวย ง, งามซึ่งเป็นของโสโครกทั้งนั้น นี่แหละที่พอปัญญาหยั่งเข้าไปนี่จะหยั่งเข้าไปตามหลักความเป็นจริงขมไม่สะอาดขนไม่สะอาดเล็บฟันหนังไม่ได้สะอาดเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีชิ้นใดสะอาดในสกลากายของเราทั้งหมดนี้ไม่มีชิ้นใดสะอาดในที่บ้าสะาสวยงามที่เล็ดมาเสกสารปัญญ้นหยาลุมๆแรงๆงนนไมน่มีตัวจริงนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ การพิจารณาปัญญานั้นเป็นตามแต่จริตนิสัยของผู้พิจารณามีความแยกคลาย <c oughs> หลายด้านหลายทางต่างกันอันนี้ให้ถือเป็นตามจริตนิสัยส่วนกลางๆท่านสอนไว้แล้วอาการสายวิสสองก็ดีเกลีสสารมาณขาอมตาตะโจก็ดีนี่ท่านวางเป็นพื้นฐานต่างๆเอาไว้ตามแต่ท่านผู้ใดจะหนัก <c oughs> พิจารณาหนักแน่นในอาการใดอาการใดใน ทั้งส่วนร่างกายทั้งหมดหรือจะพิจารณาไปให้ตลอดทั่วถึงให้เป็นไปตามจิตนิสัยของผู้นั่นนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาพอจิตสงบ <c oughs> แล้วอิ่มอารมณ์ไม่ได้ ห, หิวโหยอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่นีจะพาดําเนินทางด้านปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงปัญญาก็ทําตามจิตที่สั่ง เพราะปัญญาไม่ได้เพราะจิตใจไม่ได้หีหวยเพราะที่จะแฉกไปหาอารมณ์จอมปลอมปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์เป็นของจอมปลอมไปเสียเพราะนั้นท่านยิ่งสอนไว้ว่าสมาธิปริภาวิจาปัญญามหผลาห้วติมหานิสร้างสร้างสมาธิปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวหรือย่อมมีผลมากเมือเราสมาก เบื้องต้นก็ศียปริพาวิโตสมาธิมหภาภโลหโติมหานิสรัสรสมาธิที่ศีลหลบลมแล้วย่อมมีผลมากมีอริสงมากคำว่าศีลหลบลมแล้วศีลเป็นรั้ว ก, กั้นศีลให้ความอบอุ่นเราไม่ได้ทำลายศีลให้ด่างพร้อยขาดทุุไปเพราะที่จะสร้างความระแวงแครงใจให้เกิดทุกข์เป็นกังวลขึ้นมาภายในใจ เราจะทําจิตของเราให้สู่ความสงบก็ลงได้ง่ายไม่เป็นอารมณ์กับศีลว่าศีลด่างคล้อยเป็นต้นนี่นี่แหละที่พรามีศีลแล้วการทำสมาธิของเราก็ไม่เป็นกังวลในโทษที่เกิด ท, ที่ตนร่วงเกินศีลในหนีนี่จิตก็เป็นสมาธิได้ง่าย <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตองเป็นสมาธิแล้วเกี่ยบว่าจิตอิ่มอารมณ์ อยากิดอยากปรุงเรื่องราวทั้งหลายไม่ชิดไม่ปุงมีแต่อารมณ์อันเดียวแนวนั่นเียวเอกตาลมเอกดาจิตเรียก ว, ว่าจิตอิ่มอารมณ์พาจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละออกไปทำงานทางด้านปัญญาวิปัสสนาเริ่มตั้งแต่เกสารมานะขาสันตาแต่โจ์ถึงอาการสามิสองตรลบทบทวนหลายครั้งหลายหนพิจณา ด้วยความมีสติมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลําดับลาดานี่เรียกว่าปัญญา mm hmm. เมื่อพิจารณาปัญญาพอสมควรเจต ก, การแล้วจิตรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ถอยจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจมีอารมณ์อันเดียวนี้เสียเรียกว่าพักงานงานนิปัสสนาก็เป็นงานของปัญญา <c oughs> ให้ถอยก็ามาสู่สมาธิพราะ ได้กําลังบังชาจิตมีความสงบแล้วเย็นเหมือนถอดเสี้ยงถอดน้ําและพอจิตมีความสงบเย็นเป็นกําลังได้ดีแล้วออกทางด้านปัญญาพิจารณาอาการสามที่สองนี้แหละเป็นพื้นเป็นฐานมันพิจารณาทบทวนถอยหน้าถอยหลังเหมือนเขาคราดไปคราดมาทบทวนไปมาคาดไปคาดมาจงกระทั่งมูลคาบมูลไถแหลกละเอียดควรแจกการปักดําแล้วเขาก็ปักดํา อันนี้พิจารณาถึงความละเอียดอของธาตุของขั น, นแล้วเราพักจิตแล้วก็พักได้สบายต่อจากนั้นไปพิจารณาไปอีกต่อไปอีกทบทวนหลายครั้งหลายหงย่าเอา <c oughs> เวล่ำเวลายาเอาเที่ยวมากำหนดนะให้เอาความชํชนานิชํานานมาเป็นบาทฐานสำคัญพิจารณาเนี <c> ่ย <oughs> เรื่องร่างกายนี่เป็นของสำคัญมากผมจะไม่อธิบายอะไรมากเพียงกลางกาเท่านี้ท่านผู้ปฏิบัติจะกระจายไปเองเพราะความรู้อันนี้สามารถทีจ่จะกระจายไปได้หมดเพราะเป็นขั้นปัญญาเกี่ยวกับร่างกายมันจะกระจายไปหมดเลย <c oughs> นี้เรียกว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมาริสังฆาปัญญาที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนนแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวทางานตามหน้าที่ของตนไม่ แตเหลือลายพลังงานอื่นใดนี่อันที่สปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมมะเดวะอาสเสวีวิโมจติจิ ต, จต <c oughs> ที่ปัญญาซักฟอกเรียบร้อยแล้วยอมม่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นเมื่อปัญญามีความเฉียวฉลาดรอบตัวแล้ว ก็ซักฟอกจิตไปตั้งแต่ขั้นห ย, ยาบๆไปเรื่อยๆเช่นอรุภาพุฟังก็การพิจารณาปัญญาก็เป็นการซักฟอกจิตไปอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนถึงขั้นจิตที่ละเอียดเวลาซักฟอกจิตตังปัญญาปริภาวิจังจิตตั ง, ตงสัมมาเดวะอาสเสวีวิมุตติจิตเมื่อ <c oughs> ถูกปัญญาอบรมหรือซักฟอกเรียบร้อยแล้วย่อมดุพ้นจากทิเลททั้งปวง นี่คือพระโอาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแลา้วสาวกทั้งหลายก็ดได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามนี้ได้เป็นสังขังสนังกรฉามีของพวกเราตามแบบแผนที่ถูกต้องดีงามยังขอให้พากันนําไปพินิจพิจารณนาะ <c oughs> เรื่องนี้เรื่องร่างกายเป็นสําคัญมากนะนัาปฏิบัติยาหนีร่างกายเรื่องอชุพ่าตุพางเป็นพื้นฐานสําคัญเพราะเรื่องร่างกายนี้เป็นที่เล็กตัวใหญ่หลวงออก หน้าทับก็คือกิเลสตัวนี้แหละราคาตันหา <c oughs> กามากิเลสตัวนี้เป็นตัวกดทวงโรคทหลายให้จมดิ่งจมดิ่งจนกระทั่งไม่รู้บุญรู้บาปไม่สนใจบุญบาปฟุ้งเฟอ้อเหม่มตลอดเวลายิ่งกว่าหาเดือนเก้าเดือนสองก็คือราคาตันหาที่มันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี่แหละจึงต้องนำเรื่องอสุภสุภงมาพิจารณาแก้กัน เมืแก้การ น, นี้ลงไปเต็มเต็มที่เต็มที่แล้วเรือสุภาสุภาพนี้ถึงขั้นเวลาถึงขั้นชำนาญชำนาญจริงๆนะมองดูอะไรนี่เป็นไปตามที่ที่เรารู้เราเห็นนั่นเลยมองไม่ว่ามองจัตยมองบุคคลมองหญิงมองชายมองเขามองเราเราชำนี้ชำนาญในทางเนื้อมองไปนี่เห็นเป็นเนื้อพิจฉนาญในทางกระดูกมองไปก็เห็นแต่กองกระดูกเนื้อไม่เห็นเลยนี่แหละ ต่างคนต่างมีความ ช, มชันนิชันนานต่งางๆจนกระทั่งอันนี้มันมีความชมันิชันานาญคล่องแคล่วแก้วกล้า แ, แล้วเอาตั้งเข้ามาเอาอจุภาพจุฟังที่เราพิจารณาเอามาไว้ที่ตรงหน้าของเราเอากําหนดดูอจุภาพจะเป็นตัวเขาตัวเราเป็นอุภหะตั้งเอามาตั้งไว้ตรงหน้านี่เพื่อจะพิสูจน์เรื่องราคานาหามันเป็นไปจากอะไรอตรงนี้นะเป็นตัวที่จะ พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนไม่สงสัยนะเอามาตั้งไว้ข้างหน้ากําหนดดูอ่าไม่เคลื่อนไหวเอามันจะไปยังไงอายุข้านียถ้านั่งถ่านอนก็ตามถ่าไหนาก็ตามเอากําหนดมาไว้ข้างหน้านี่หรือว่าเน่าแฟะอยู่ข้างหน้านี้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นมันจะไปไหนถ้ามันยังนิ่งอยู่ตลอดไปนี่แสแดงว่าอย่างไม่พอต้องกาหนดให้แน่ซะก่อนนะ ถึงขั้นที่ว่าที่เราจะเคลื่อนไหวรหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้นก็พิจารณานี้ถ้านี่ยังแนวอยู่นั่นก็แสดงว่าจิตเรายังไม่พอเอ า, เอาทําลายลงไปอีกเอาอันนี้แหละทําลายทําลายให้แหลกให้เหลวให้ลวกให้เหลวลงไปโดยลําดับลาดาแล้วย้อนกลับมาพิจารณาอจุภ้าสุพังนี้เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเราอีกเราจะได้พิสูจน์ตัวราคานี่คืออะไรเป็นราคะ <c oughs> เอาตรงนี้แหละกงตัดสินกันวันนี้เปิดโขาโอท่านทั้งหลายฝั่งนะดําเนินมาอย่างนี้นี่พอถึงขั้นมันจะรู้ตัวแล้วนะกำหนดอาตุภาพที่ตั้งอยู่กองหน้าจะเป็นท่านนั่งก็ตามท่านนอนท่านอะไรก็ตามนะนี่พอกําหนดนี้แล้วอาตุภาพที่ตั้งอยู่กองหน้านั้นจะถูกจิจนิกลืนเข้ามากลืนเข้ามามันเป็นเองท่านทั้งหลายอย่าไป อย่าไปว่าดภาพอย่าไปทําเป็นสัญลารมนะให้เป็นหลักธรรมชาติปัจจุบันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นธรรมแท้กําหนดดูอันนี้จะไปไหนมันจะเคลื่อนไหวไปมาจะออกจะเข้าเคลื่อนไหวไปไหนดูให้มันชัดเจนอันนี้แล้วเวลามันชัดเจนจริงๆแล้วอคอสุภาสุธังที่เรากําหนดนั้นมันจะเคลื่อนตัวเข้ามาเคลื่อนตัวเข้ามาจิตจะดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาเลยกลายเป็นจิต กืนเอาอจุภาพที่นั่งอยู่ตรงหน้านั่นเข้ามาเป็นตัวเสเองเมื่อจิตอจุภาพในหมุนตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอจุภาพที่เราตั้งไหวภายนอกนั้นเป็นอจุภาพนอกมันปัดออกเลยอจุภาพที่แท้จริงมันคือจิตดวงนี้ไปวาดภาพว่าอันนั้นสวยนี้งามอนั้นไม่สวยไม่งามคือสังขารตัวนี้เองที่ในสังขารตัวนี้กืนเข้ามาแล้วมาเป็นตัวเสเองคือสังขารตัวนี้เอง เป็นอสุภาษณ์ุฟังตัวนี้เองเป็นที่ตัวนี้เองเป็นราคาตันหาสุภาษอสุฟังไม่ได้เป็นราคาตันหาตัวนี้เองเป็นพอจับวันนี้ได้ปั๊บงันจะปัดอสุภาษภายนอกออกโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีใครบอกก็ตามทีนี้มันจะฝึกซ้อมอสุภาษณ น, นี้โดยเอาอาศัยอสุภาษภายนอกมาเป็นเครื่องฝึกซ้อมเอาตั้งขึ้นมาปั๊บมันจะหมุนเข้ามาภายในหมุนเข้ามาภายในเรีวเข้ามาเรื่อยเรีวเข้ามาเรื่อย แล้วก็มาถูกจิตกืนออกไปหายที่จิตหายที่จิตอสุภาพทั้งหมดเข้ามาเป็นอสุภาพภายในจิตแล้วกําหนดแล้วมันจะหายไปที่จิตเอาตั้งขึ้นมาใหม่แล้วมันจะกืนเข้ามากืนเข้ามาแล้วหายไปหมดหายหมดฝึกซ้อมจนมาทั้งมีความชํชนานิชํานาญอสุภาพภายในมันตั้งอยู่ไม่นานก็หมดไปหมดไปสุดท้ายก็เป็นแสงหินห้อยแหละที่นี่นี่นี่เข้าใจเหรอะ แสงง่ยายๆราคาตัณหาข้างนอกเพราะอาศัยรูปร่างการตัวเป็นอรุปว่ภาภายนอกหรือว่ากิเลสตัณหาราคะตัณหาไปอยู่ภายนอกอรูปว่หรือสุภาษนั้นมันไม่ได้อยู่เป็นกิเลสไปว่าดภาพหลอกทีนี้พอพิจารณานี้เข้าไปเข้าไปเรื่องอรูปว่ภ า, ายนอกนั่นมันจะถูกกิดตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาเป็นอรุปว่ า, ายอยู่ภายในตัวเองพอเป็นภาพอยู่ภายในตัวเองแล้วจะดับลงที่ ภายในจิตนี่เองแล้วตั้งขึ้นมาใหม่นี่เพื่อการฝึกซ้อมนะแล้วตั้งขึ้นมาเราไม่ต้องดึงนะตั้งขึ้นมานั้นกำหนดดูอันนั้นอะแล้วมันจะเข้ามาเข้ามาเองพอตั้งขึ้นปั๊บเลยมันจะเข้ามาเข้ามาเป็นเองไปเองเข้ามาถึงจิตตึกแล้วอยู่ที่จิตแล้วดับไปดับไปจนมีความชํานิชานาญแล้วตั้งเข้ามาเร็วเข้ามาไหลเข้ามาเร็วเข้ามาตั้งมาเป็นอรูปภาพภายในก็เร็วเขื่อยดับไปที่ภายในใจเรื่อยเรื่อ นี่จงกระทั่งหมดเรื่องอสุภรพ์ภ า, ายในตั้งขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมจากนั้นมันก็เป็นอากาศธาตุร่างกายนี้หมดความหมายในการพิจารณาร่างกายแต่ต้องอาศัยภาพอันนี้แหละเป็นพื้นฐานต่อไปจงกระทั้นจะไม่มีอะไรเหลือมันก็ยังตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกซ้อมปัญญาให้ชำ น, นิชำนาญอยู่นั่นแหละนี่แหละการพิจารณาในจุดนี้แล้วเรื่องร่างกายเรื่องอสุรรพสุพัง ทั้งหลายราค้าตัณหาหมดไปที่จุดไหนให้ท่านทั้งหลายจํานะลาค้าตัณหาไม่ไปอยู่กับหญิงกับชายไม่ไปอยู่กับสุภาพ ส, สุภามันอยู่กับตัวสังขารจากอวิชาสังขารเป็นเป็นสังขานี่อวิชาเป็นสังขารไปวาดภาพเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราแล้วก็หลอกมาหลอกตัวเองพอตามภาพนี้ได้แล้วมันจะเข้ามาสู่ภายในพอเข้ามาสู่ภายในนี้ภาพนี้ หายไปหมดแล้วนั่นแหละที่นี่ราคากาหาหมดไปในที่นี่เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นเอาอย่างน้อยว่าขาดในเบื้องต้นนี้สอบได้ห้าสิบเปอร์เซเรียกว่าแน่แล้วที่ไม่เป็นอื่นและต่อไปก็ฝึกซ้อมนี่แหละที่หนึ่งฝึกซ้อมสุภาษิตทั้งหลายาสุภาษทั้งหลายอ ย, อยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่มันจะเลื่อนขึ้นเป็นห้าสิบแล้วหกสิเปอร์เซนขึ้นไปเรื่อยเรื่อย จงกระทั่งถึงว่าหมดปัญหาในเรื่องอสุภาสุพังนี่จากนั้นก็เก้าเข้าสู่นิพพานอันนี้ไม่ต้องบอก อ, นนอันนี้เป็นสําคัญมากเรื่องราคาตาหาทําให้ข่อยฟ้าทําให้หาหลกักยึดไม่ค่อยได้ขอให้ได้ตั้งอันนี้ได้เถอะพระปฏิบัติเราแน่วแน่ต่อการพ้นทุกไม่ต้องสงสัยเลยเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าแ ล, และนิพพานเอื้อมสู อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันจะตะเกียกตะกายแล้วที่นี่ <c oughs> นี่ควาแน่นอนเรื่องราคาตัณหาขาดลงในจุดที่อจุพะุพังหมุนเข้ามาสู่ใจใจกลืนไปหมดแล้วเรื่องร่างกายจังหลาไอนี่เป็นอจุภะภายนอกก็หมดไปราคาก็หมดไปในจุดนั้นฟังให้ดีนะสอนใครจะสอนท่านหลายอย่างนี้เราดึงออกมาจากหัวใจได้สอนมาสอนให้จำให้ดีไม่มีผิดมีพลาดถําดำเนินตามนี้แล้วแต่อย่างไรต้องพิจารณาเรื่อง สกุลนาการอยู่ว่าุพังให้แน่นหนามันคงให้ชำนี้ชำนานเอาเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นบอกแกแนวทางให้มาตั้งข้างหน้านี่แหละเอาที่ตั้งข้างหน้าทุภพานั้นเมื่อชานายแล้วมาตั้งข้างหน้าให้มันเคลื่อนไหวไปไหนมันจะไปที่ไหนตั้งทําลายก็ไม่ทําลายให้มันอยู่อย่างนั้นถ้านั่งก็ให้นั่งถ้ายืนท่านอนให้มันนอนอยู่งั้นเอาดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนนี่มันจะเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งมันจะค่อยเคลื่อนเข้ามา เคลื่อนกันมาโดยตัวเองโดยหลักธรรมชาติตัวเองไม่ได้ถูกบีบบังคับนะพอกูนเข้ามาเกินก็นมาจิตนี่จะเกินก็้ามาจนกระทั่งมาถึงจิตเต็นเป็นว อ, อ, อ, อสุภาษณนั่นเสียเองอันนั้นไม่ใช่อสุภาษอสุภัอะไรตัวจิตเองเป็นผู้ไปว่าพอจับได้แล้วมันก็ปล่อยอสุภาษภายนอกนั้นไปหมดทั้งเหลืออสุภาภายในแต่ต้องอสุภาษภายนอกมาตั้งเป็นฐานเพื่อรับสติปัญญาฝึกท่อมให้มีความชํชนานิชํานาญ แเหียดรอรวดเร็วยิ่งจนไปก็ต้องอาศัยรูปผ้าภายนอกอยู่นั้นแหละพอตั้งปั๊บมันจะหมุนก็ามาภายในใจตั้งปั๊บจะหมุนก็ามาภายในใจ <c oughs> พอหมดนี่ละนี่หละท่านว่าราคะตัณหามาหมดจุดนี้ท่านบอกว่าท่านสาเร็จพระอ น, นาคามีก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกแล้วว่ะคือราคะตัณหานี่ตัวพาให้สัตว์เกิดสัตตายอยู่ตลอดเวลาราคะตัณหาจึงเป็น หัวหน้าแห่งแนวโลกออกสนามก็คือราคาตันหาทําโลกขยุ่งเหยิงวุ่นวายป่วนปั่นกันอยู่ตลอดเวลาก็คือราคาตันหาพราอราคาตันหานี่ขาดสะ บ, บั้นงปักจากใจแล้ว <c oughs> เรื่องทั้งหลายที่วุ่นวายสายแสบทั้งวันทั้งคืนด้วยความคิดเป็นบ้าของเรานี่แหละมันไปสร้างเองเหตุการณ์ขึ้นมาพอราคะ อันนี้มันขาดลงไปแล้วความคิดความปรุงที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควตัวอย่างนั้นมันสงบลงไปด้วยกันประหนึ่งว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่นะทำไมว่าบ้านร้างแล้วมันมีคนอยู่ยังไงบ้านร้างมีคนอยู่มีแต่คนมีสมบัติพอ ด, ดีจิตใจที่คิดเป็นอัดเป็นทำร้อนๆเพื่อความพ้นทุกข์โดยไถ่เดยวโดยไถ่เดียวนี่เรียกว่ามีคนอยู่เหมือนเมืองร้างจิตใจชิว วุ่นวายจะหลาย ม, ม, มันมีอันตราพาลอยู่ในนั้นกิเลสคือตัวการมราคะัาหาเนี่ยหละที่ึันเป็นอันตราพาณพอตัวนี้ขาดจากบ้านลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านล้างอันตราพาณอย่างนี้ไม่มีจิตใจที่จะชี้ให้เป็นอันตราพาณิรุ่งเรืองวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนอล่านี้ไม่มี อ, อกัยจากการ ม, มิทิเดสนี้เท่านั้นพอการมิทิเดสนี้ขาดจากบ้านลงไปแล้วเท่า น, นั้นแหละจึงเป็นเหมือนบ้านล้างจิตใจนี่ว่างไปหมดไม่มีอะไร ความคิดกำปรุงมีแต่เป็นความที่กำปุงของอัดของทำที่จะพาให้เจ้าของให้ร้อนหลุดพ้นจากทุกโดยใฉ่เดียวไม่ได้เป็นความคิดกำปรุงที่ลากเจ้าของลงลากเจ้าของลงเหมือนราคาตันหาที่มันลากสัตว์โลกลงให้จมตลอดเวลานี่ภากันจํำมาหนะทีนี้เอันี้ฝึกซ้อมเข้าไปแล้วแล้ต่อไปเรื่องร่างกายนี้มันจะหมดปัญหาของมันไปมันจะว่างเปล่าไปเลยแม่บอกมันก็รู้ขอให้เอาอาุภพฝึกฟังนี้มาตั้งเป็นฐานฝึกซ้อม เพื่อความเทนิชำลาญของจิตนี่ก็แล้วกันของอัจุปะ ภ, ภายในมันจะมันจะค่อยดับไปดับไปเกิดแล้วดับมากปรากฏขึ้นมาแล้วดับแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, นจากนั้นจะเป็นอัจุปะสุัปราจากนั้นแล้วก็หมดหมดแล้วเรื่องพิจารณาสกุลกายเขาหมดปัญหาเรียกว่ารู่ประธรรมหมดแล้วในขั้นอนาคามียหมดโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เป็นนามธรรมา ก็สัญญาสังขารนิยญาณมันตรงมันแต่งตาจิตนี่แหละเรียกว่าติดนามธรรมอมืพิจารณาอันนี้ความเกิดความดับสังขารทิศดีทิศชั่วดับสัญญาเกิดแล้วดับดับดับลงไปหาใจอใจคือรากฐานของใจที่อยู่กับใจนั้นคืออะไรคืออวิชชาที่นี่มันก็ตามกระแสของปิดที่เป็นนามธรรมนี่เป็นอารมณ์ไต่เต้าเข้าไปไต่เต้าเข้าไปฝึกซ่องเข้าไปเรื่อยๆพอถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ถึงอวิชชาเอง ไม่ต้องถามาวิชาแล้ว <c oughs> ให้พากันเข้าใจนี่การวิธีพิจรารณา <c oughs> ผมเปิดให้ท่านหลายได้ฟังชัดเจนเพราะกลัวจะตายแล้ว <c oughs> เบื้องจวนจะตายแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้หลักได้เจนฑ์แบผู้ปฏิบัติชุมสี่ชุมห้ารุ ม, ม, ม ๆ, ๆุมดอนดอนการภาวนาสติเป็นของสำคัญมันก็ไม่สําคัญยิ่งกว่าความปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเสียและตั้งหลักตั้งฐานของจิตใจก็ไม่ได้เมื่อตั้งร้าน ตั้งร่าฐานจิตใจมาได้ความสงบไม่มีปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนี่แหละที่สั้นสอนไม่สีสมาธิปัญญาตั้งสอนอย่างนี้เมื่อตั้งร่าตั้งฐานของจิตได้ด้วยสติด้วยสติแล้วสมาธิจะเป็นขึ้นมาเป็นมาสมาธิเป็นขึ้นม า, นม า, ม า, นนมาอย่าลืมปัญญาปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องตีกิเลสแต่ให้ละล่ำก็ามาอยู่ในความสงบหรือว่าล่ำข้อกิเลสไว้กระถูกไว้กระถูกนะปัญญาที่นี่ออกมาตีกิเลส ตืน่นต้อนกิสอบฟันกิเลสมีเรียกว่าปัญญาให้ภากันพิจารณาให้ดําเนินตามนี้เพราะถึงขั้นนี้แล้วนะขั้นอุตตอาสุภาสุพังนี้เป็นขั้นที่ชุนมูลวุ่นวายมากในบรรดาความเพียรทั้งหลายไม่มีความเพียรใดที่จะหนักแน่นชุนมุนวุ่นวายยิ่งกว่าความเพียรในการพิจารณาอาสุภาษุพังเพื่อตัดกามกิเลให้ขาดชะบันอันนี้เรียกว่างานชุนมุนวุ่นวาย พลังมนุ์ที่สุดเลยที่เดียวมันจะเห็นในตัวของเราเองนั่นแหละท่านผู้ปฏิบัติจะผ่านก็ไปตรงนั้นไม่ต้องบอกพออันนี้ผ่านไปแล้วที่นี่งานต่อไปนี้เป็นงาน ส, ส, ส, สติอัตโนมัติปัญญาตโนมัติมันจะหมุนเพื่อความพุ่นโชคโดยพ้นทุกโดยเดียวเป็นขั้นของก็อ น, นาคามีสั้นจะหมุนขึ้นโดยลําดับไม่หมุนลงนี่เรียกวสติปัญญาตโนมัติแล้วหมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีลง ขึ้นเรื่อยๆยก็ไปแล้วถึงความพ้นทุกขโดยสิ้นเชิงจากการพิจารณาอย่างนี้ธรว่าของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสดสดร้อนๆ อ, อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วเป็นธรรมะสดสดร้อนจะนำจากทั้งหลายหยุดพ้นจากทุกไปได้โดยลําดับตลอดไปแบบสดสดร้อนเหมือนกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้นะ จะจะเป็นเหมือนหนึ่งว่าตามสเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวเลยด้วยความไม่คาดเคลื่อนสติสติธรรมปัญญาธรรมศีลท่านก็สอนมาแล้วธรรมเนี่ยเรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมอยู่ในธรรมะธรรมศีลรักษาให้ดีให้เป็นผู้มีฮิโยจปาลักษาศีลรักษาให้ดีนะอย่าให้แค่อย่าให้มีด่างคล้อยเป็นอันขาดให้พากันรักษาให้ดีศีลเป็นพื้นฐานที่จะ ล้อมสมาธิเป็นกาแพงกัน้นจิตใจเราไม่ให้สายแสไประช่ภายนอกแล้วคิดเอาฟุตไฟมาเผาตบนเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราจะมีความอบอุ่นพิจารณาทางด้านสมาธิจะแน่วแน่ว่องไวไปโดยลําดับลําดามีอีกเรื่องถึงหรือพูดถึงเรื่องจิจการดําเนินเพื่อความพ้นทุกท่านทั้งหลายอย่าไปถึงดึงขั้นพุทธการขั้นไหนทั้งไหนให้ให้ยืดเอาหลักส่วนคาถธรรมที่จารว่ า, า, าชอบแล้วนี้มา เข้ามาสู่หลักปฏิบัติหลักใจของตนเองสติก็ก็เป็นหลักใจสติก็คือทำสทับสนร้อนๆปัญญาเป็นทำนลถสับสนร้อนๆอความโกดความทนความข้าความเพียรเป็นทำสับสนร้อนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกหลายพ้นจากทุกข์ด้วยธรรมเหล่านี้เรานำธรรมเหล่านี้มาก็จะก้าวเดินตามน่องรอยเดียวกันจะถึงความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันนะให้พากันตั้งอกตั้งใจผมนี่รู้สึกว่ากังวลเพื่อนฝูงมากนะ วนจะตายเท่าไหล่แทนที่จะมาเป็นห่วงเป็นใหญ่เจ้าของผมหบอกโกงผมไม่มีเลยถ้าขันนี้ก็แบกมันไปอย่างนั้นแหละอนึ <c> ่ง <oughs> วันหนึ่งเงินหนึ่ ง, งผ้าอยู่ผ้ากินผ้าหลับผ้านอนผ้าขับป้าถ่ายมีตั้งแต่ทําตามขันขันเป็นใหญ่ก็ถูกเวลานี่เราทําตามขันเหมือนผู้ใหญ่ทําตามเด็กเด็กไปชีอะไรเป็นอันนั้นชี่อะไรเป็นอันานั้นอันนั้นตามเรื่องของเด็กชีผู้ใหญ่มีจะเออเออเออไปตามนี่ เรื่องของขันกับมือนกันดีดไม่จะคอยปฏิบัติตามขันมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อล่า ก, ก็ลงเปลี่ยนยาบทมันหิวข้าวต้องการอะไรก็เอามาขบมาฉันผ้าหลับพานอนผ้ากับป้าถ่ายเป็นเรื่องปฏิบัติตามขันเขียวว่าขันนั่นเป็นใหญ่ก็ถูกแต่มันไม่ได้เหยียบหัวใจน ะ, ะมันก็นใหญ่จะต้องปฏิบัติตามมันในเมื่อมันมีขันอยู่ในหัวใจเราอยู่พ้อนไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมันนี่เรียกว่ารับผิดชอบในขัน แต่ไม่ได้เป็นภาระแน่ขายขันทั้งหลายนี่ไม่มีทางที่จะซึมซาดถึงใจดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอาถรรพโดย่ายเดียวเท่านั้นรักษาการปฏิบัติกันต่อไปถึงพอถึงวันการเวลาที่ควมจะไปแล้วก็ปล่อยเสียเท่านั้นยิงไม่มีคําว่าห่วงใยกับอะไรเป็นห่วงใยกับเพื่อนฝูงประชาชนทั้งหลายนี่นะมักลัวจะผิดทาง อะไรมากกวามมากความมากอะไรมากกวามมากความมากศ า, า, าสนามีอยู่ในโลกนี้จี่ศาสนามันเป็นเรื่องโครงการของกิเลสยังดีตีแล้วหัวใจ ค, คนไม่รู้ตัวเลยนะโครงการของพระพุทธเจ้าโครงการพุทธศาสนาฆ่ากิเลสไปตรงท่านทั้งหลายเกิดมาได้เพราะพุทธศาสนาแล้วเป็นวานาอันล่ำเลิศขออย่าปล่อยอย่าวางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ <c oughs> เลี้ยงขนสัตว์ให้หยู่พ้อมจากทุกโดยลําดับลําดา มาไม่มีเคลื่อนคาดจากสวัจาธารรมที่จัไม่ชอบแล้วชอบแล้วนะวันนี่ประเทศจะนับว่าการเพียงกันนี้งั้นขอให้ทุกท่านตั้งให้ดีนะที่สอนในแล้วนี้สติปัญญาเอาเดินให้ดีเดินตามนี้ลนะ่ะเหมือนกับเราก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอะไรแหละจะไม่ไปไหนจะเข้าก้าวเข้าสู่พระคนี้ผ่านดังที่พูดนี่นะถึงก้าวเข้าสู่พระนาคามีนะีคือขั้นที่เหลือหมดปัญหาและอัตโนมัตินี่จะไปผีพานโดยสายเดียว ไม่มีควาว่าถอยลงถอยลงจะกล้าโดยใจเยอะแต่สำหรับขั้นอุปัชฌานี้มันหมุนกันระหว่างวัดตะวันกับวิวัดตะจักวิวัดตะรมนะทางหนึ่งก็จะดึงลงหมุนลงทางหนึ่งก็จะดึงขึ้นนี่แหละชนามุนวุ่นวายมากนะพอผ่านอันนี้ไปแล้วก็เบาเลยจะินหมุนตัวไปเองจิตนี้ไม่ต้องบอกเรื่องความภาคเปลี่ยนหมุนตัวไปเองเป็นกติปัญญาอัตโนมัติเป็นความเพียนอัตโนมัติ ไม่ต้องล้างเอาไว้เน่าเน่าไม่ต้องมีบังคับหรือถูถ่ายไปนอกจากได้ล้างเอาไว้บางทีมันผ่าผลจนพยานถึงกับว่าจะไม่หลับไม่นอนเพราะอำนาจของความเพียรสุดลากไปเราต้องได้ล้างเอาไว้ให้พักผ่อนนอนหลับนี่เรียกว่าพักอันไว้หนึ่งให้พักในสมาธิอันหนึ่งนี่ต้องไปพักไปพักตามตารเวลา <c oughs> จนกว่าถึงที่สุดแล้กวก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงอารวาณีเพเะศาสนาว่าการแปบนี้ขอให้ได้การ เพื่อให้พระเจ้าประสงค์ทั้งหลายเราได้เข้าเข้าใจแนวทางที่ปฏิบัติและที่จะปฏิบัติต่อไปโดยที่สอนไปแล้วนี้แน่ใจไม่มีผิดเราสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างขอให้ปฏิบัติตามนี้จะไม่เป็นอื่นเจอองค์ศาสดาโดยไม่ต้องถามไขเลยสารที่โกประกาศตั้งก็ตีความใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นพอนั่นละพอละตอนนี้นอ้เทีกีนาทีวนนี สีเนะสี่สิบสี่โหได้ถึงสี่สิบสี่ส่สิบสี่นาทีนะเละตอมีฉัไม่มีอะไรอีออออกแล้วก็ไอหมีเออไออ้วนมึงก็อ้วนแล้วเกินนะโอ้แต่เท่าไหร่ยิ่งอ้วนไอหนึ่งเนี่ยมันสนามตัวเกิดแม่เดียวกันโตขึ้นมาโตขึ้นมาควรจะตายเท่าไหร่ยิ่งอ้วนยิ่งอ้วนนี่มันก็แบบเดียวกันยิง่งอ้วนไปออกกับข้างนอกเิ่งไปกับพระ ไปแล้วจะกลับมาไม่ถึงวันมันมาไม่ไหวแต่มันอยากไปนี่อย่างนั้นเนี่ ย, ย, ย, ยติดท่าจะด้วยนะยไปบางทีไปไม่ถึงมองนู้นแล้วมองข้างหลังแล้วมองสุดท้ายไปไม่ได้กลับคื น, นอ่าแล้วนั่นใช่ไหมอ่าเลือกกันละมีตอนนีน้มีอะไรอีไม่มีอะไรนะอ่ะก็อ้าวเลือกกันพวกเราเลือก โอ้เอาทังขาตีโอ้ที่หน้ากุฏิเราก็ได้เออเกยบเส LP ือพ้อเลยอออันนี้ไปที่กุฏิเราก็ได้เปรเออเส้อที่สนีเหนื่อยนะแหหน่อยเหน่อยมากเออเนื่องคนเยอะ มังแย่อยู่ทำงานจะทุ่มนโซ่โซ่โซ่โซ่ปวดขาด้วยเป็นงานอะไรแท้จะฟังวันนี้่ะมันพอเข้าเรื่องก็ได้ไหมมีจะมาพูดเบี้ยนเบี้ยนห่วงลูกห่วงหลานห่วงผัวห่วงอะไรอยู่เนีเห็นนิพพานเป็นกองที่ไปได้เลยเราอยากบ้าอย่างนั้นนะ เห็นผัวเห็นลูกนี่เป็นเทวดาไปเลยนั่น่ว่มามันต้องเอาอย่างนั้นสิมันต้องสัตว์ต้องยำไม่งั้นไม่ได้นะมันไม่ยอมไปอเอานีหน่อยอออเอาสายไหมจังหน่อยก็แท้แท้แล้วใแวนนะ้แท้ไรอีกเนื้อแท้กับแท้จะจพ่อแล้วจใจแท้ไรอีก พาท่านยังเลิ่มไปแล้วเรายังหมุนก็มาหาอะไรโมโหโมโหนั่นนี่นะต้องเอานี่แก้โมโหไม่ง้นไม่ได้อ่ะมันฆ่าคนได้นะมันต้องเอาที่แก้โมโหอ่ะโอ้หลวงตาไปได้โดนล่ามาจากไหนเนี่ยเขเจ๋งมากไว่าเจ๋งกพราลูกศิษย์นะไม่เจ๋งหรือเฉยไม่ได้เลยเนี่เดี๋ยวโดนล่าเดี๋ยวเงินสดเนี่ยมันอกใส่จนได้นะ ไ okay, ม่ใ็่ของเล่นนะ้อืมฟังๆถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาตัวพรานมากที่สุดทีเดียวเขาจะไหนจอกแส่บได้หมดในนีน <c oughs> เ้เอาเข้ามาเข้ามาเลยโอ้ <c oughs> เหนื่อยนะเที่ยงสี่สีน่นาทีเหนื่อยเวลาเทปมันก็มาเลยพอมันเตือนแล้วก็หยนะุด มีเยอะโอ้มีเจอรดนล่ากนะีนลดล่าีเยอะนะพอแล้วพอแวอ ล, อ ล, อลออวันนี้เทศธรรมะขั้นพุ่งเลยนะวันนี้เพราะพระนานๆจะท่านจะไปฟังทีหนึ่งจากเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าเราอยู่เราก็ไม่มีเวลาเทศในต่างนะงานเพราะงานเรามาก วันนี้เป็นโอกาสดีกรารกระถินพราและการกระถินเสือและเทศสองขะไม่ได้ยืดหลับนี่เป็นข้อปฏิบัติต่อไปอืมท่านธรรมพระพุเทธเจ้าคือสดสดร้อนๆสำหรับผู้ปฏิบัติเป็นผู้จัดก้าวให้เห็นชัดเจนทุกส่ร้อนตามจัตาุดา จะยังพูดต่กี้นี่คือว่าพระอนาคามีพระอนาคามีห้าชั้นตามลำดับของขั้นเริ่มสอบได้อนาคามเป็นขั้นขั้น น, นอกจากผู้ที่เป็นชิปปาพิญญาถึงถึงเลยนะอันนี้ผู้จะไต่เต้าไปโดยลำดับลำรานนี่ จะเป็นระยะอย่างที่เทศที่นี้การฝึกซอ้อมฝึกซอก้อมก็คือคือให้ระยะเข้าระยะขึ้น เ, เ ร, รื่อยเลยนะเกี่วกัฝึกซ้อมฝึกซ้อมอันี้เวลาตายเวลานั้นถ้าไม่ได้สนใจว่า <c oughs> จะ เ, เกิดงชั้นไหนผู <c oughs> ้ที่ได้ทําขั้นนี้ถึงขั้นนี้แล้วท่านจะรู้เป็นระยะระยะไปเลยเ น, นี่ยทดนองยที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ ในพรมโลกสิบกชั้นสุทธาวาท่าชั้นนี่สำหรับพระอนาคามีรุน mm hmm. yeah. วนรุ mm hmm. ่นอภิหาชั้นหนึ่้นะเทวโลกโลกพมรโลกอภิหาอตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิธานีา่ฮะ สุทธาวาสห้าชั้นแล้วนี่ผ่านเวลาปฏิบัติไปแล้วมันรู้มอยอย่างนั้นไม่ต้องไปถามใครธรรมะมันบอกชัดเจนที่จะทานที่ที่เราจะอยู่กับภูมิใจของเราที่เหมาะสมกันคือที่เป็นไยกตัวอย่างเช่นสุทธาวาสห้าชั้นห้าชั้นของพระอานาคามีเป็นต้นวันเจ้าวันนั้นชั้น ไอ้ลูกเองเป็นจํากัดจํากัดเป็นระยะระยะพอถึงขั้นนี้แล้วทุกโมตายปรับเข้านี้ปับ๊บแหนวิหารตะปาะตายขั้นนั้นปับติดอยู่ในขั้นนั้นปับเข้านั้นปั๊บเข้านั้นปับเรื่อยอย่างนั้นนั่นไม่ต้องถามสดสรอบรอบอยู่ในหัวใจของท่านพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ มันก็เคยพูดนะให้บรฤฤรดาลูกศิษย์ลหาฟังอย่างนี้นะตอนที่ไปอยู่ทางกระห่มกรงทองตีนเขาไปทางนู้นเราก็ไปคนเดียวนี่แหละไปที่ไหนไปแต่คนเดียวเรามันนิสัยไปอย่างนี้ไปไปทางอยู่ที่นั่น บ้านเก้าหลังขายเรือนแต่พักอยู่ที่บ้านนะแต่คนที่ตายไม่ได้ตายไม่ใช่คนเหล่านี้ตายคนบ้า น, นล่องล้นเข้ามาเผาป่าชาเดียวกันบ้านพรมทองหลัยหลังขายเรือนเป็นร้อยๆเวลาตายแล้วก็มาเผาที่นี่ป่าชาเขาอยู่ทางบ้านกระหม่มบ้านกระห่มเป็นบ้านที่เราพักภาวนาใน <c oughs> หลังคายเรือนเก้าหลัง เราพักอยู่ทางตีนเขาทางโน้นเวีายลกวลาลนรคก็นิ่ยเกิดขึ้นถ้าธรรมดาเขาจะว่าเป็นโรคเหมือนว่าโลคระบาดนะะเป็นขึ้นมาแล้วก็ตายตายกันนะอย่างเวลามันเอาหนักเข้ามาเข้าอย่างน้อยวันละสามศพเนาอะไร มันแปดศพด้วยเลยนี่ละตายนี่ยนี่เวลามันหนักเข้าแล้วไปกุศลาให้เขาเลยไม่ได้กลับวัดอ้พาพอกุตานี่แล้วอ้าเอาศพนั่นมาอีกแล้วแล้วศพนั่นมาอีกแล้วกุศลาทั้งวันเนออเลยนั่งเฝ้าผ่ า, าเราก็เลยเอ๊จะทําไงนายนี่นะเราก็มาหาภาวนาเลยทำไมเรื่องจะมายุ่งเอาอย่างนี้ละวะ สองวันสามวันตายสองวันตายสามวันตายถ้าเลยไป น, นั้นแล้วก็ผ่านได้แต่แต่น้อยมากนะโร ก, ก อ, รอันนี้มันเป็นโรคอะไรเกันละอย่างน้อยสามศดีเลยถึงแปดศจนทั้งกับมาที่พักมาได้ เพราะมันเอามาติดต่อกันนี่เผาติดต่อกุศลาติดต่อกัอนเรื่อยฮอ้ยังไงกันนี่ะถีงพอเวลาเป็นนะนี่นถึงรู้ได้ชัดมาเป็นในเราเองอยู่ในป่าช้านะแต่กุศลาเขามไม่ได้กลับไปกับที่พัเพราะส่มาติดมสาส่อเผามันเลยเย ที่นี่มันจะเป็นบอว่ามันรวดเร็วนะบางครั้งเขาว่าสองวันตายอมมันรวดเร็วคืตความจิตของเรามันเป็นยังไงอะไรสัมผัสมันรู้ทันทีทันทีนจิตขั้นนี้มันละเอียดเป็นที่แล้วที่นี้พออาการนี้เข้ามาสัมผัสปั๊บมันก็รู้เลยอ๋อสัมผัสปั๊บรู้รู้รู้ ออัยังไม่นานนะยังไม่ถึงชั่วโมงเด่นขึ้นแล้วนะความเร็วก็มันมันขัดหัว อ, อกนะคือมั น, มนเจ็บไปแล้วหอกมันขัดไปแล้วหอกมันเหมือนกับแหลมกับเหลาเสี่ยมแทงแทงนี่นะแทงประสานกั น, นโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนี่นะเพราะฉะนั้นคนถึงได้ตายง่ายกันโอ้มันเป็นรวดเร็วนะ เราก็เลยรีบบอกเขาในเวลานั้นเลยพอชัดเจ็นแล้วที่นี่ว่าก็เลยบอกพวกโยมเขาคยาโยมนี่นะโยมนะไอ้โรคที่โยมทั้งหลายมาเผากันอยู่ตลอดเวลากุศลาไม่อยู่ไม่ถอยนี่เวลานี้มันมาเป็นกบฏจะมาแล้วนะบอกกรุงเลยนะอืมเป็นโรคแบบเดียวกันนรวดเร็วมากนี่มันั่นอยู่นี่เป็นทึ่งมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเลยว่านี่ขอให้จะมากลับวัดสนะาถ้าถ้า ถ้าไม่กลับเดี๋ยวก็จะได้เผากันอีกว่าถูกเผาอีกนะวะ่าโอ้ยเขาก็รีบเขายิ่งตกใจด้วยนะโอ้ยให้ท่านกลับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไประมาก็เลยให้เรากลับเราก็กลับไปมันก็หนักไปเรื่อยเลยนะนี่แลมันชัเกเยน็นเป็นกระเจ้าของโลกอันนี้เพมันขัดหายใจแหรงก็ไม่ได้ไม่ทราบว่าแป็ มันเหมือนกับว่าแหลมเนี่ยทิ่มลงไปเลยหายใจแหลมก็ไม่ได้นี่นลราที่นี่เวลามันเป็นหนักเข้าหนักเข้านี่เราก็เคยไปพูดให้ใครเราตามความจริงตอนนั้นโอ้ยเรายังไม่อยากตายทำไงนี่วะเอือถ้าตายนี่มันก็จะข้างข้างเห็นมันรูอยู่นะข้าง ค้างท่านไหนมันรู้เข้ามันอยู่อค้างสองคืนสามคืนก็มาจากค้างะขอให้สิ้นเสียเสียบถึงถึงนิพพานแล้วตายเมื่อไหร่ก็ได้เราว่ากันนะแต่เวลานี่ยยัไม่ถึงนิพพานคือกิเลสมันก็มีของมันอยู่ถึงมันจะละเอียดมันก็ยังไม่อยู่นะแล้วเวลาตายแล้วมันจะขึ้ น, ช, นชั้นไหนถึงจะไม่กลับคืนมาก็ตามแต่มันก็ค้างนี่ ไม่อยากค้างเนที่นี่มันยันกันเนี่ยนี่ทำไมโลกมันนีบดวนไปด้วยนี่นะจิตของเราก็ยังยังไม่ผ่านได้โดยสิ้นเชิงนี่ทำไมมาแต่มันก็รวดเห็วของมันนะเพราะจิตกันนี่เป็นจิตที่สติตนุปัญญาตนุัติแล้วมันจะหมุนแก้ตัวเองทันที นี่พอมากังวลที่ว่าไม่อยากตายเนี่คือถ้าคือมันยังไม่พน้นจึงไมอยากตายไม่ใช่กลัวตรงกลัวตายไม่อยากตายเหมือนโลกอะไรนะที่มันตายเส่นเีนี้แล้วมันจะค้างนี่นามันจะไม่ถึงที่สุดที่เรามุ่งไว้นานวะถ้าตายนี้ปั๊บมันจะต้องค้างค้างชัดที่ไหนมันก็รู้อยู่นี่นี่เวลานี้ยังยังไม่อยากตายเพราะมันจะค้างวะขอให้พ้นจากนี้ตายเมื่อไหร่ได้แล้ววะ กำลังนี่แหละกำลังอารมณ์อันี้อหะกำลังรอบกัอนอยู่ไอ้ทุกข์ก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเนยทั้งเดี๋ยวธรรมะก็ขึ้นรับกันนะนี่ขึ้นรับนู่นละแต่มันถ้าถ้าเราจะทิดไปถึงที่เรานั่งหามุงหามค้ำนะก็คิดได้นะแต่มันมันไม่ได้วิ่งไปนู่นเลยนะเพราะมันเป็นเป็นเม า, ามาก ทั้งหนึ่งไม่อยากตายยังไม่อยากตายโรค ก, ก็บีบเข้าอยู่เข้าฉันเดี๋ยวทำก็ขึ้นแล้วนั่นเลยไม่ทำทำทำสอนเราทำเกิดขึ้นเป็นลักษณะเด็ดซด้วยนะอ้าวท่านจะมาห่วงมายายกับความเป็นความตายอะไรอยู่วะเวลานี้ข้าศึก ก็เป็นอริยสัจซึ่งมันอยู่กับท่านเวลานี้นนเห็นไหมละ่ะอริยสัจก็คือทุกข์ใช่ไหมละ่ะก็มาอยู่กับท่านเวลานี้ท่านก็เคยผ่านเรื่องเหล่านี้มามากต่อมากแล้วท่านมาหลงกลมันอะไรกับมั น, นี่วะอริยสัจคือความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเราเคยผ่านมาแล้วตั้งแต่สมัยเรานั่งตลอดลุ่งนู่นถ้าจะแยกไปนู่นก็ได้ท่านเคยผ่านมาแล้วนี่นะวะ ถ้ารรมาวิโตวิจาร์เลยกับวิทยาศึกซึ่งอยู่กับเราและเคยผ่านมาแล้วด้วยนั่นะเรื่องเป็นเรื่องตายท่านห่วงอะไรมันก็อยู่กับท่านเองวะเพอว่าง้นปา้าไป็นศิษมันก็ถอยปุ๊บเขามากันทีเลยเรื่องกังบลกับเรื่องเป็นเรื่องตายหา ย, หา ย, ยาาไม่อยากข้างไม่อยากข้างไม่สนใจเลยพอถูกทํากระตกท่านจะพิจารณาอะไรให้มันรู้จริงเห็นจริงในปัจจุบันท่านก็เอาลงไปที่ ท่านจะิด เ, เรื่องเป็นเรื่องตายที่ไหก็มันอยู่กับท่านแล้วนี่น่ะเรื่องความเป็นความตายบางพาะว่างจิตมันประวัติปุ๊บเลยนะก็ติดสติปัญญาอัตนมัติแล้วเนี่ยสติปัญญาอัตนมัตินี่หมายก็ว่าความเพียนเป็นเองถึงขนาดผ่าโผลโจรทยานต้องล้างเอาไว้ที่จะได้หนุนให้เพียนนี้โอไม่มีแล้วติดขั้นนีแล้วไม่มีนี่แต่พุ่งพุ่งนี่นมัมาเกิดอยู่ในระยะ น, นั้น เราก็ยังห่วงความตายมันยังไม่อยากตายเพราะยังไม่ยั ง, ย ง, ยงไม่สิ้นวะถ้าสิ้นเมื่ อ, อไหร่ตาได้เลยไม่มีนี่มันยังไม่สิ้นตายแล้วมันจะตะข้างเลยข้างสองขืนทั้ขืนก็ไม่อยากค้างวะก็หมายว่างาัา้นแต่พอทำท่านมีมาเตือนอันนี้มาอุ่นเอาสดสดรอบ ม, มาอุ่นเอานี่มันก็ไม่ค่อยทันใจเหมือนมันเป็นปัจจุบันพอทําท่านมาเตือนเพราะนั่นมันประบติปุ๊บเลยเจ้ อเรื่องเป็นเรื่องตายที่ไหนว่าอถึงหรือไม่ถึงอะไรอย่างนี้ไม่เลยสัดเข้าไปตรงนี้เลยนั่นทุกเวทนา <c oughs> ที่มันเสียดมันแทงอยู่ในนี่ไล่กันเข้าในนี้เลยนะการิตศักด์ทุกเกิดขึ้นมาจากไหอไรเป็นทุกมันถาเป็นในหัวใจเองนะส ต, ติปัญญามันจะหมุนเข้ามันเองทอี่ที่จะบอกออกมาใครฟังแล้นี้มันหยาบนะมันเป็นเรื่องตัวเองมัน มันไหลลื่นข้ามาอยู่นะั้นไม่สงสัยนะพิจารณาอยู่นั้นจะั่งสองทุ่มนั่นแหละใช่นั่นก็สองทุมถึงเที่ยงคืนเป็นเวลาสี่ชั่วโมงซัดกันใหญ่เลยเป็นตายไม่สนใจนั้นนะทีนี้เวลามันพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปพราะเราเคยพิจารณาแล้วนี่ตัติปัญญานี้มันขอยไข่เมื่อไหร่ พาพีนาไปมันก็เบิกออกเบิกออกพี่นาตางกันไปต่างกันไปเบิกออกเบิกออกเบิกออกที่เป็นเกีือนเป็นน้ำเป็นฝื่นไฟเผาในหัวอกเรานะมันเบิกออกเบิกออกอํานาจของธรรมพี่นาจนเห็นประจักษ์พระที่จะเบิกเบิกออกหมดเลยไม่มีเรื่องทุกข์อันนั้นหมดโดยสิ้นเชิงที่มันจิ่มแทงในหอกมันหัวอกะระเบิดนะ สติปัญญาซับสบตรงนี้แตกกระจายแตกกระจายแตกกระจายเลยหายในปัจจุบันเลยกำหนดที่ไหนไม่มีเลยหมดและกลายเป็นคนปกตินะทั้งท่านที่มันเป็นอย่างรุนแรงจะเอาให้ตายในเดี๋ยวนั้นนะแล้วมันหายไปในปัจจุบันเลยหายจงใจโลกหมดทุกอย่างวิตว่างไปหมดเลยไม่มีอะ ไม่ตายแล้วที่มีวะเ้าพูดภาษาเราว่าไม่ตายวะเนาะตอนนันมาขึ้นมาดูนาดิกาหกทุ่งกว่าไฟคื อ, อโกรเราอยู่อย่างเราอยู่ในโกดในมุง่งแล้วเอาไฟไปตั้งไนนู่นนะไฟเขาเอ า, ากเกียงเล็กๆแต่ตเกียงเหมือนดอกบัวแล้ว มาให้เ้าก็จุดเวลาเราก็ไปตั้งไว้นู้นกลัวเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเราคาดเอาไว้งั้นแหละ่ากอะไรกันมาเดี๋ยวมันจะไปโดนไฟเรามันจะเผาคนตั้งแต่ว่างั้นเ <c oughs> ลยนี่แล้วก็เอาไปไว้นู่นเดียาดตรงนี้เต็มอย่า <c> ง <oughs> พอมันหายเป็นปกติเรียกว่าหมดร้อยเปอร์เซนะ์เลนลุกขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> เดินตรงตรง อ, อกเดินจงกรมสบายโล่งไปหมดเลยนี่ก็อย่างนั้นนะเนี่ยโรคอันี้ที่เขาตายกันคนตั้งหลายเขาจะเขาจะ้องว่าเป็นเป็นโรคอะไรลำบากหรือมีอะไรอะไรแต่เรามาพิจารณาเราไม่มีมันเป็นเหมือนกับอากาศเขาเป็นพิษอะไรอะไรอยู่ในนี้มันขับพวกมันออกหมดเลยก็ไม่ปรากฏ เราเห็นชัดเจนนี่คือว่ายังไม่อยากตายเข้าใจไหมเพราะมันอย่างค้างมันรู้อยู่ทันพอตายนี้ปั๊จากอยู่ชั้นนี้ชั้นนี้มันรู้อยู่ทัเอชั้นไหนก็ไม่หยุดอยู่ทันถึงนิพพานแล้วไปเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่พอถูกทําท่านตีโยนี่ร้อยชนีถอยถรุดกลับมาก็หมุนปัจจุบันเลย แล้วโลคหายทันทีเลยเนื่อเขาเรียกว่าแก้โรกปัจจุบันเรียกว่าธรรมโอสถนยาคือธรรมแก้โลกอย่างนี้อย่างเห็นจ้งเนี่ยไม่อย่างนั้นเราอาจตายไปกับเขาก็ได้นะเพราะมันรวดเร็วมากนะนั่นึง พอถึงชั่วโมงนี่โอ้โหเต็มเหนียวแล้วนะ mm. เพียงยิบแยบแยบให้ดูนี่ชอบคนชอบคน mm. แล้วมันค่อยหมุนเข้ามาเรื่อยๆ เ, เข้าไปเต็มลัเหมือนเสี่ยเหมือนน้าเหมือนแหลเหมือนเหลานะ mm. นยิงเช่นตามนีไม่ดีสลบเลยนะ mm. พวกตามพวกไอนะแต่หายใจแรงก็ไมาได้กระทบนี่นะเ mm. วลาเอากันเต็มเหนียวแล้ว โล่งไปหมดมันก็แปลกอยู่น่นละปัจจุบันนั่นแ่ะมันหายไปไหนหมดไม่มีเลยมันเดินโยกมันได้อย่างสบายสบายพูดถึงเรื่องธรรมโอโสฐแก้โรคมันแจ้ได้อย่างนี้จะว่าไงที่ว่าไม่อยากตายมันก็เป็นได้นะ มันเป็นให้เห็นชัดๆมันมันยังไม่อยากตายเป็นห่วงยังไม่อยากตายแต่ก่อนไม่เคยมีไม่เคยเป็นอารมณ์แต่พอลงขึ้นปั้บนี้จกลับภูมิครรของเราที่กาลังก้าวเดินมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็แน่ใจแล้วมันจะถึงอยู่แล้วจะยังไม่ถึงว่างั้นแต่แล้วเกิดอุปภาษาขึ้นมานี่เสีย มันเลยไม่อยากตายเราก็เลยจําไม่ลืมนะคือก็ตทังพระธรรมท่า น, านาก็ตกกันเลยท่านเป็นห่วง<ร>เป็นอะไ ร, ไรเรื่องความเป็นความตายอะไรๆมันก็อยู่กับท่านทุกสิก่งทุกอย่างแล้วแนละ้วกิริยานี้ท่านก็เคยพิจารณมาแล้วว่าเพราะว่านปุ๊บเดียวหมุนเข้านี้เลยเป็นย<ม>ังไงนี่เวละ มันจะไปจริงๆนี่กับเราก็ได้นำมาพูดให้ฟังนะจิตนี่และเวลาอาการหนักมันจะไปจริงนี่นะคือถ้ามีสติสตังอยู่นะคือทุกเว ท, ทนามันจะโหมตัวเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยเพราะฉะ น, นั้นผู้ธรมรมดาคนเหล่านี้จึงเสียสติสตัง ไม่ได้สติติดตังตกที่แหละที่นอนไปก็ได้เพราะมันไม่มีสติเรื่องหน้าแห่งทุกขเวทนามันบีบเอาเสียอย่างแรงเราเห็นได้ชัดตอนมันบีบเราแล้วสรุป เ, เลยตอนถ่ายท้องอยู่ที่น้องผือถ่ายยี่สิบห้าหน อาเจียนสองนนะอาเจียนหนที่สองนี่แหละคนไม่มีกำลังอะไรเลยเนะี่ยฟังที่ถ่ายยี่ห้านอาเจียนสองขนนี่คนไม่มีกำลังเลยเลยเวลามันอาเจียนนี่เสดอาหารนี่พุ่งถึงฝานีนะาน่นนะไปฝาเนี่มันรุนแรงมันอาเจียนดังแรงนี่แหละที่มันมันจะบไตรงนั้นแหละไปเวลานั่น พอมันพุ่งคุ่มแล้วพอจากนั้นมาแล้วก็อ่อนเข้ามาเลยความรู้ทั้งหมดในร่างกายของเรานี้ข้างบนข้างล่างเ น, นี้ยมันจะหดขึ้นมาข้างบนลงมานี่ทั้งนี้ขึ้นมานี่มาอยู่จุดศูนย์กลางคือตร ง, ตรงหัวตรงหัวอกทีนี้ร่างกายของเรานี้เป็นมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนะ ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทีนี้ทุกเวทนาที่บีบอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวนั่นละพอถึงถึงที่สุดของทุกเวทนาแล้วความรู้นี่โหดตัวเข้ามาโหดขึ้นมาเข้ามาที่นี่อันนี้หดมามีเรียกว่าความรู้ประจําขันไม่ใช่ความรู้แท้อันนั้นนะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขันรับผิดชอบในขันความรู้นี่โหดเข้ามา พอมาถึงนี่แล้วทุกกระเวชนาดับหมดเลยนะไม่มีเหลือทั้งๆที่มันเป็นอย่างสาหัดถึงขนาดที่ว่าความรู้นี่คอยเข้ามามันจะปล่อยว่างั้นแต่ระครั้งนี้ก็โหดขึ้นครั้งนี้ลงลงมาในจุดหนึทุกส่วนโหดเข้ามาต่อไปพอพอถึงที่นี่ปุ๊บแล้วนี่ เนียหมดเลยนะคือความทุกข์ทั้งหลายนี่เรียกว่าหมดไม่มีเหลือเลยนี่เมื่อร่างกายหมดความหมายทุกขเวทนาที่เป็นอยู่กับกายก็หมดไปตามๆกันไม่มีเหลือเลยนี่มันใครมันรู้ก็ได้รู้อย่างนั้นไม่ได้สิมันไม่ถึงขัน้นนั้นมันก็เพลิดเิดแตตังตก ได้ตกเรือนตกที่หลบับที่นอนไปได้อันนี้มันไม่เผลอมันเป็นธรรมชาติเพราะนั่นจริงได้ดูมันโดยหลักธรรมชาติในเวลามันจะมันมันจะไปจริงๆรงนี่ความรู้ในส่วนร่างกายทุกส่วนมันจะหมดเข้ามาเข้ามาอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วทุกทั้งหลายที่โหมก็ามาเต็มที่ถึงกระว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเรียวกว่าจับจไปแล้ว ถึงเก้าจเก้าเปอร์เซ็นพอหทอความความทุกข์ทั้งหลายหดรู้เข้ามาความรู้เนี่ยมาหดรู้ความทุกข์ก็เข้ามาพร้อมกันพอถึงนี่แล้วตรงกลางอยูแล้วร่างกายก็เป็น <c oughs> ท่อนไม้ท่อนฝืนไม่มีการเจ็บการปวดทุกเวทนาอะไรไม่มีรคปวนเลยเงียบหมดเลยอยันนี้เหลือแต่จิตที่จะออกนะ นี่ะเป็นเก้าจุเก้าปอร์เซ็นแต่นี้มันไม่เถื่ันสิเออมันมีเยอะนะไอ้ที่มันรวมกมาแล้วเนี่ยทุกส่วนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดไม่มีความไม้แล้วแต่จิดมันไม่ลกตัวเองสิมันเป็นธรรมชาติพอถึงนั่แล้วจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวหรือบอกมันมีปื่นเหมือนกันนะจะไปเดี๋ยวนี้เทีเ่ยวหรอวะ ทั้งนี้ก็ปั๊บก็เอาไปก็ไปที่วพอพอว่างไรสมมุติอันหนึ่งตั้งกําหนดนี้เดียวว่าสมมุติกําหนดกําหนดเข้าไปหาจิตที่จะไปนั้นนะสมมุติอันนี้เข้าไปปั๊บนั่นนะเหมือนว่าไปประคองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าอย่าโวนไปว่ามันในลักษณะนะพอพอกําหนดปั๊บเข้าไปจุดที่ว่าจะไปอะไรนี่คือมันหมดแล้วทุกอย่างหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่จะดิบเป็ มีสตินี่นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาประคองกันนี่ไปเร็นี่เ่าเร็วว่าเอาไปก็ไปคำว่ า, าไปก็ไปมันเข้าประคองกันนะนัไม่ได้ว่าจะไปจะอยู่อะไรและ ว, วันนี้พอพอกําหนดป้ามาเนี่ความรู้นี่กระจายออกมาหมดเลยนะความรู้ที่ออกหลืองไปนน่อนออกขึ้นนี่ออกทั่วถึงกันหมด ทันทีกันใดอที่นี่ว่าทุกขเวทนาก็ขึ้นพร้อมกันกับทุกเหมือนเก่านั่นแหละอืมนี่เป็นอย่างนั้นนะเวลามันจะไปจริงทุกเวทนาดับหมดนะแต่ถ้ามีสติต่างทุกเวทนาจะไม่เห็นเวลาจิตจะไปเวลากิจจะออกนี่มันเก้าที่เก้าเปรเซ็น์แล้วที่ที่เราไปถึงระดับนี้แล้วเก้าจุดเก้าเปรเซนต์ถ้าปั๊บขรานี้ออกเลยนี่ยังไม่ไป ก้าสิบเก้าเปอร์เนี่เราทีได้มาพูดอย่างชัดเจถึงไม่พูดอย่างนี้ก็าตามเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มาแสดงก็าตามเพราะเราก็ไม่ได้สงสัยอยู่แล้วเรายิ่งเป็นพยานมาอีกมันก็ยิ่งชักเข้าไปอีกเป็นสองชักหนึ่งชักสองเข้าไปแล้วใช่ไหมละ่ะนั่นก็นอย่างนั้นแล้วอืมสภาวะอ น, นี้เหมือนกับตอนปีสองเจ็ดสองแปดที่ที่เราสภาวะอันนี้เหมือน ปีสงเกศสองแสนม่าจาบกวาต้รังเอาไว้ตอนที่ขอสินแสมาตัวไหนน้าสองเกสอแสนที่รหัวใจที่มันมีอกด้วยะตองรังมันมีต่างกันเรื่องเรื่องเวชนานี้ไม่เหมือนกันเวชนาที่ถ่ายท้องเป็นอย่างหนึ่งที่มันอ่อนออมานีกเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปนี่ก็ เราเมาื่ใจมันจะมันจะดักี๋ยวมันจะออกบังคับไม่ออกวันนี้อันนึงมันค่าเท่ากันอ้อจะให้เป็นเดียวกันนีมันก็ไม่ใช่แต่ก็ถึงจุดนั่นมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตเอันเดียวกันสัญญาเวทไชยในโลสัญพานนี่อะไรนี่ <laughs> <laughs> นีนั่นไปเรื่องโรเข้าใจแล้วนี่มันจะไปหลายครั้งอยู่นะดังนั้นเราพูดถึงเรื่องการถ่ายท้องอันนี้เป็นขึ้นมานี่คิดว่าจนลมหาใจมันหอบปั๊บปัหมดลมหายใจเลยเกิด ค, ความรู้มันอยู่นั่นทุกอย่างเรามันไม่ได้เผลอมันเป็นธรรมชาติร่างั่นเลยยังยังไม่ออกเขาเนี้ย เมื่อมันอยู่ในฐานะที่จะหาข้ามได้มันก็หาข้ามได้ใช่ไหมล่ะเมื่อมันพ้มีิสัยแม่ผูรดีเจ้ากันยังต้องตายบ่างที่เลยพูดง่ายๆแต่นี่มันอยู่ในภาวะที่จะหาข้ามมาได้ก็หาห้า ม, าามท่านพ่อแม่ขูจาย์ท่านพูดอยูอ่บ้านผู้ป่วยว่างหนักที่ท่านไม่นอนคืนสุดท้ายไม่นอนเลยแต่เรามาเสียใจหนึ่งเราก็โง่นะ ให้เร่งเอาอผมไปนะให้เร่งออกมาคือท่ารู้ท่านท่านล้างของท่านไว้กุนญาร่ายวะท่านล้างท่านไว้ยังไงไปคือแต่เพราะท่านจึงเร่งทังนี้ให้รีบเอา <sm all> ท่านไปท่านล้างขันของท่านไว้จะโวนไปยให้รีบนะให้รีบหน่อยวแต่แตานแต่ากว่าเราไม่ตก็โง่เกินไปอย่างว่านะ ถ, าถ้าท่านจะกระซิบจังนิดหนึ่งระยะปมานิดหนึ่งนี่ผมล้างเอาไว้นะเท่านั้นแหละ คืนวันนั้นจะแตกเลยเดียวเราเราจะสั่งอะไรทันทีเดียไปคืนในวันนั้นเลยรถมารับไปเดี๋ยวการนี้ท่านไ่ได้บอกคีอว่าให้รีบเอาผมไปนะให้รีบผมไปนะบอกอย่างไรนอนตั้งแตบไม่นอนวันนะคือก็ว่านอนนี่แต่นอะไร <c oughs> มันเป็นปัญหาหนึงอีกนะเวลานอนเนี่ยมันก็เหมือนแชมเปี้ยโนะแชมเปี้ ย, น, ยนอนหลับนะ เมือเวลาขึ้นต่อยบนเวทีไปใะไฟังแชมเปี้ยนไปเลยล่ะที่นี้เวลาแชมเปี้ยนนอนหลับอืาเอาไม่ไปตีหัวได้สบายตายเลยใช่ไหมอันนี้พอพอปล่อยให้หลับปั๊บนี่นั่นแหละเหมือนกับว่าแชมเปี้ยนนอนหลับอันนี้พอปล่อยให้ทันนะครับความตายมันไม่ไ <c oughs> มันไม่ได้รอเป็นรอตายมันไม่ไ น, นันะ่นล่ะถึงว่าร่างอะไรมันดีเดี๋ยวนั่นแก้ไม่ทันความหมายว่างั้นท่านจะบอกว่าท่านล่างเอาไวนะ้นาน ที่ท่านนอนในนี้เวลามันเกิดขึ้นในนั่นนะแบบเขาตีหัวแชมเปียนนะ่ะนะมันจะแก้ไม่ทันยิงบอกว่าให้รีบเอาผมไปนะรีบผมไปนะว่งแต่อย่างนั้นท่านท่านไม่เคยบอกว่านี่ผมล้างเอาไว้นะนี่เวลามันมาเป็นในเรานี่สิมันถึงได้ชัดเจนอ๋อพระแม่กุญแจเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่แล้วก็ออก พูดแต่ที่ว่าเราล้างเราล้างของเราใช่ไหมละ่ะแต่ท่นานไม่ได้บอกว่าท่านล้างท่านก็ล้งางเหมือนกันแต่ท่านไมบอกแล้วใครใครก็ไปรู้เรื่องแต่นี่เรารู้เราล้างของเราล้างเราเราก็บอกชัดเจนอย่างนี้เมื่ออยู่ในฐานะที่ล้างเราได้ก็ล้างถ้ามันเลยนั่นแล้วพระพุทธเจ้ากำลังนี้ผ่านกังตายป่อยเลยนั่นเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นนะ เนี่ยไอเหนีห่ยงเท่าไงด้อมน้อม <c oughs> น้อม อ, อ, อ, อันนี้ก็บกแล้ะต่อไปนี้ก็เลิกกันนั่นเอเดี๋ยวพูดกับกับมาแล้วนี่ได้เวลาโอเคเหรออี่าฟังกระถิ่น ร, รวมทั้งวันเงินสดได้ เงินสดได้สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบหกบาททองคำได้สองกิโลห้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าต่างดอลลาร์ได้สามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าดอลลาร์นึ่ในส่วนเช็คนั้นเรามันมีหมายเช่นเงินสดนะ ยูไม่ได้ถึงสิบอดล้านสิบอดล้านสามแสน้าปันห้าสิบกบาทส่วนเช็คเราไม่ยังไม่ได้นับนะนี่ศรัทธาใหญ่ถวายนี่เช็คก็สองฉบับฉบับหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนอีกฉบับหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนก็เป็นสามล้านแล้วแถมทองคำอีกตั้งกิโล ศรัทาาใหญ่่เป็นเจา้าภาพพ่อเจ้าถิ่นนี่แหละและ้วก็มีทั้งทคุณเล็กกับลูกหลานครอบครัวนั่นลูกหลานไม่ที่เราจำได้ส่วนใหญ่นะนัน น, นก็เช็คหนึ่งใบก็หนึ่งล้านห้าแสนกับอีกระดับหนึ่งสองแสนทีเ่เราจำได้เพียงคนนี้นอกานั้นเราจำไม่ได้นะ จำนวนนี้รวมเช็คไปสี่้านหครับผมรวมเช็คไปแล้วสี่้านหครับผมเนี่ยครับผมรวมกันะะรวมกันสองอย่างครับผมนี่ยครับผมเงินสดเจ็ล้านกว่าครับผมอ๋อเงินสดเจ็ดล้านกว่าว่านั่นเงินสดเจดล้านกว่ารวมทั้งเช็คประมาณสี่ล้านนี้ซึ่งเป็นเงินที่แบบ้เงินสดเจ็ดล้านหแสน เก้าหมืแปดันห้าสิบห้าบาทเช่แ ล, แล้วก็เช็คสี่ล้านหกครับที่ที่พ่อชูบอกเออคือเรามอบเช็คเขาเขาก็จะเอาด้นน้ำออกมานั่นนะเพราะแคน่นมันจะเข้าบัญชีทั้งหมดเรามอบไปเขานี่มันบวกกระถิ่นเรว่างนั้นเขาเอาด้่นเราไปนับม า, มาบวกกันอยู่นะเกษาระหายก็ใส่ถ้าอย่างนั้นทั้งเช็คทั้งทั้งห น, นอลา แค่ก uh ็เ huh. ป็นสี่ all right. All right. All right. Okay. Right. Wow. ้านกว่าอย่างเ้ั้นเงินสดก็ไรเะหจล้านหกล้าเจ็ดสเก้ามแดพันครับผมหล้านครับผมห้านเจ็ดแสเก้า่แปดันาออเอละเออละเท่านั้นละนี่ก็คำเราก็ดูว่าจะได้ 15กิโลกว่าหรือมั้งนี่หมายถึงที่ไหลซึมส่วนที่เมื่อไปแล้วนั้นก็ทราบทั่วหน้ากันแล้วแต่ที่ประเภทหลาซึมเวลานี้ดูมันจะได้ถึง15กิโลกว่าหรือมั้งแต่ไง ก, ก็เก็บไว้นั้นแหละพอถึงเวลาหลอมก็หลอ ถึงเวลาจะมอบก็อมอบเลยก็อาศัยปัจจัยเหล่านี้แหละที่ช่วยชาติอยู่เวลานี้นะ่ะมีการทดสอบว่าการต่างโครงการช่วยชาติเราก็หยุดแล้วและการเงินการคองที่เขามาถวายนี่ก็หยุดเช่นเดียวกันในที่เราช่วยก็แล้วเอาตั้งแต่ที่เขาถวายตามมารยาศัยในวัดนี้ไม่มีโครงการผ้าปุ่งผ้าป่าอะไรละ เขาจะไหวแล้วว่เอาเองินนี้ออกช่วยช่วยชากไปโดยดําบัดดําดาเพราะงั้นมันถึงไม่ทันกันเพราะการขอนี่มันมาน้อยเมื่อไหร่ขอสุขความช่วยเหลือจากเรามันไม่ได้น้อยนะคับไอ้ขอประจํานี่เราไม่ว่านะเนี่ยประจําเช่นพวกขออาหารเนี่ยที่ว่านีลงนั่นมาลงนี่หมายถึงมะ เอาหาในโกดังต่างที่เขาพวกขอเครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆละรลดลาอะไรเหล่านี้ขอไม่หยุดนะวันนี้เทศหนักทางพระเข้าใจไหมเพราะพวกนี้ฟังทุกวันทุกวันน้วย่าพระทำไมเขาเลยฟังวันนี้เทศให้พระฟังก็บ้างแต่ไม่ละเอียดทั่วถึงรักนะ เพราะต้องวนเวลาเกี่ยวกับเรื่องกำลังวางชาด้วยถิงได้เพียงขนาดนั้นแต่ก็สมบูรณ์ในการก้าวเดินไม่ไม่มีอะไรบกพร อ, องมันจากติดตั้งสาขาแง่ต่างๆที่จักรตาไว้นี้ไม่ทั่วถึงเอาแต่ส่วนใหญ่รินใหญ่ไปเลยเรื่องของตาที่ที่มาเล่าให้ฟังนี้มีใครเคยเล่าให้ฟังก่อน หน้านี้แล้วมีไหมเรามาเล่าให้ฟังจากหลักความจริงของเราเองยังยังไม่ถามท่านเจ้าคุณวัโดโพดูคือได้โทรไปพูดกับท่านแล้วและถามถึงภาสีของท่าน คือความมุ่งหมายก็เราจะพูดถึงเรื่องอันนี้นะเงินที่ส่างติดนี่เขาอยู่สามสามล้านห้าแสนาท่านก็มาขอเราสองขลเราก็ให้ตามที่ขอเพราะ่านติดนี่ถึงเวลาแล้วเขาก็มาทวงนี่ถ้านันมีที่ไปเ้าก็วิ่งมาหาเราที่แหลมล้วน สองล้านห้าที่สองยันเป็นสามล้านเป็นห้าล้านห้าอ่ที่ตนี่เวนี้ยังเหลืออยู่สามล้านห้าแสนท่า น, นก็จะอาศัยกปะถิงนีอง่อ่าก็กรถิงนผ่านไปแล้วได้เท่าไหร่มันที่ที่เราก็ไม่ทราบเราเลโทรไปถามท่านโดยเรื่องกระถิน ก็พอดีวันเดียวกันนี้พอก็ถินวัดโทวันนี้เหมือนกันนะนี่พอถึงได้เท่าไหร่ยังขาดเท่าไหร่นั่นแหละที่นี่เราจะถวายท่านเลยเพราะเราได้พูดกันแล้วว่าขาดเท่าไหร่เราจะให้ทั้งหมดว่าเราต้องสารท่านจนกระจนเลยว่าเราจะให้ท่านมียังไม่สามท่าน สา้านห้าท่ทานจะได้เท่าไหร่แล้วอ า, ากาศได้เราก็ให้เลยไม่ยากท่านเบ่าพะละหรืท่านไม่ใช่เป็นผู้สร้างนี่ขึ้นมาเองนะมหาปนานเจ้าคณะภากเป็นผู้สร้างเพราะเป็นเจ้าคณะภาคสร้างตึกอะไรขึ้นมานะย่านั้นอย่งหลายหลายสิบล้านอยู่นะ หลงจะ ย, ยี่กว่าลานหเาถึงเท่าไหร่นะนี่ปุับปับมาตาปัจจุบันนัตาปัจจุบันแล้วจุทัดท่านอะไรแบกหนี้อะนี่นั่นะเรื่องราวเราจึงสงสารท่านไปให้ท่านเรื่อยๆกำลังจะสองทุ่นะมแล้วนะนี่ผูกองกมมาหรือเมาแล้วเหรอ<า>เหลือ เทศจบไปกันหนึ่งแล้วยังนอนตาอยู่ในเมืองไม่มามันก็ ท, ท้องแห้งแล้วสิอยู่ช่องแหงแล้วเทศจบกันหนึ่งแล้ววันนี้สีส่สี่นาทีแต่เทศสอนพระเกือบจะว่าล้วนๆเลยละอืเทศสอนพระเพราะท่านไม่ได้ยินได้ฟังอยู่กับเรานั่งเฝ้าเรานอนเฝ้าเรา แต่เราไม่เคยไดเทศสอนทำเพื่อพระเลยเพราะว่านี้เป็นโอกาสเช่นอย่างกานเข้าพรรษาในล้ววันปวนานี่ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ฟังเราเทศเรืวันนี้ทั้งประชาชนได้ฟังทุกวันทุกวันอินโดนีเซียมาไหมเนี่ยเฮ้ยอินโดนีเซียมาป่าไม่รู้ อินโดนีเซียที่มาพ่อหน้านี่อมีแค่พาวนาแปลกๆอนะ่นอะคงไม่มานะแค่พาวนาแปลกๆผา่าผุนอยู่นะเด็กที่สังเกตุหรืออะไรแค่พาวนารนะะยะนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรละแต่ก่อนจะพิจารณาอยู่มากนีรนามนิสัยนะคือ นิสัยของจิตเราไม่เหมือนกันบางลายผ่าโผลโจรทยานมากทีเดียวที่ีเวล า, เ, าเรื่องผ่านไปแล้วความรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือใช้งานเพื่อประโยชน์แก่โลกได้ดีไอ้ที่มันเป็นไว้ในจิตนี่นะ มันไม่ได้เป็นว่าหญิงว่าชายนะคือจิตไม่มีเพศมันจะเป็นขึ้นมาตามนิสัยวาสนาที่สร้างมาสร้างมาจะไปเกิดอะไรเลยก็เป็นจิตจะเป็นสัก์เป็นบุคคลอเป็นรูกเป็นล่างตัางๆแต่จิตนี่จิตนี่เข้าเรื่อยๆแล้ว น, นิสัยวาสนามันมีอยู่ในนั้ น, นก็เวลาเป็นขึ้นมาณภาบรรดา เวลาท่านคุยกันโถของเงีนมาอะไรแต่มันเป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะจะจัดว่าเป็นเรื่องภายในหรือไม่ภายในก็มันก็พูดยากๆคมีท่านไม่ได้ติดใจก็จะพูดให้ใครฟังนอกจากพวกกันเองที่เห็นจำควรจัดการเวลาที่ท่านจะคุยกันท่านก็คุยกันเองนะ mm hmm. อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถึงได้รู้กันถึงเรื่องด้านภาวนาองค์นั้นมีความ วิจิตพิสดารอย่างนั้นองนี้เป็นอนี้องนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละนะเวลาทั้งคุยกันเรื่องนักพอนยาคุยกันนีโถคุยกันตั้งสองสามชั่วโมงท่างก็คุยย่ายสบายคือเป็นเรื่องเพลเพินเป็นกำลังใจของอต่ละค ไอเรื่องมไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยคือเรื่องของรๆคนนี้ไปฟังานช่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะเป็นแปลกๆต่างกันแต่คำใหญ่นั้นเหมือนกันนเป็น จริงมึงเรืว่ายิงว่าชายเรื่องพิศยาเนี่ยมีเยอเลยคันอืมก็เข้าใจว่าเรื่องผู้จิเรื่องกระดับพระนาคาไม่ีอ่ะนะจริงเชื่อกันกันนี คือสงบเรื่องตลอดมาสามพระพุทเจ้าคอปกปักิบบทย์ก็ปรากฏขึ้นมามันจะเข้ากันได้สันท์คือฉันท์ความจริงเป็นอย่างเดียวกันเป็นอย่างนั้นลต้องต้องกังวลอยู่ในป่าในเขาในอุทยานธรมา หาขั้นะแล้เป็นอะไรคือชั้นปกองหาะอะไรวะแล้วเคยวัานะั้นเคยเป็นแม่เป็นอะไรของขั้นจะเห็นลูกก่ขาวมาสุดข่าวมานะมีความมู้จบรู้จารกังวงใจไว้ว่าเป็นคุกลำบากัำบาน เายุพองาแม่ก็มาหาอย่างนั้นแล้วมาพูดกันไม่เงากันแม่ก็พูดการเหตุผลของแม่ส่วนมากก็กลัวลูกรับความทุกข์ความเครียมากกับาปบเบอข้างลูกก็คือพระข้างก็พูดการเหตุผลของข้างกลางคนการถูกเพิ่มเอกสารมันลาบากลาบนมากน้าว แม่จะเอาอาหารชิปตั้งเพื่อหให้คนแม่อ่านคือมาบอกลูกแม่จะเอาอาหารชิดมาใชโอมร่างกายให้ให้สิ่งทราบเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ความทุกข์ความเขอมาในการอดอาหารนั้นได้เบาลงเบาลงการภาวนาจะได้สะดวก แล้วมาชโลมกระโทมแบบไหนถามต้องชโลมแบบเรามาหากัรนี่แหละหวังถ้าก็มาหากันก็แม่ก็เป็นเจ้าอาวาก็เปน็นก็เป็นผู้หญิงลูกก็เป็นฆาตเสียอะไรไม่ให้ใครเห็นหวังว่าไม่เห็นนะไม่เห็นทั้งงั้นแหละหวังตั้งน้นรู้ให้เห็นแต่พ่อแม่กับลูกเท่านี้แล้วเอาอะไรมาชรลมมาค่าอาหารชื่อ เข้าใจไมอย่างนี้ช่างไม่ทาถ้ากลัวกายอดทำไมเนี่ยทาว่าหั่นตักที่เดียวเลยถ้ากลัวกายอดทำไมอันนี้มันสร้างปัญหาเสียงได้เสี่ยงเสี่ยงเสีอนะแงเรื่องไเงี้ยมังก็รู้แม่ทำแงคือแค่รู้เฉพาะแม่กระพุเคนนี้ท๊อปอะไรก็ตาม ข้ากลัวการจะอดช่วงเวลามาฉันคนก็ดูครั้งหนึินก็ดูได้มาเพราะว่านั้นนะถ้าจะฉันไม่ฉันก็อยู่ได้วางเงี้ยตักไม่แม่ก็มายุ่งเนลาเรื่งพองยาปั้มเห็นเงี้ยแม่คอยอยู่นู้คอยอยู่ทางนู้นแตไม่เข้ามาใกล้อ่ะขมายาไม่เข้ามาใกล้อะ เรื่องทํางย่านภาวนานี่พิสดารมากนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่พูดออกมานี่พวกเครื่องพวกสามันยุ่มคือของดีของดีฉันจะมาให้พวกเครื่องพวกสามยุ่มได้ยังไงใครจะสะระดิ้งกว่างักภาวนาอท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้ควงหรือไม่ควรงเวลาท่านกัพูดเฉบพ่อข่านกันที่เป็นคนประยชนท่านกับพูดเสียเท่านั้นบางอย่างท่านไูดคนกังก็มีเยอะนะ แล้วบางอย่างคู R ่กับทั่วไปก็มีแล้วบางอย่างมันจะเสียอย่งพูดไว้กส่วนบอกสารมาลุ่มโตเอาอย่างนั้นก็มีเพราะความรู้มันปิดอะไรอยู่เมื่อไรอะไรปิดได้อวะเมื่อถึวิสัยของใครที่สุคนรู้คน่า็นี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ด้วกันหมดเนี่ยเอาเจ้สอนสอนสิ่งมีอยู่ไมัใช่มาอุตติยสอน จากคนที่อยู่ในฐานะใดที่ควรจะรับได้ประเภทใดก็รับได้ตามประเภทนั้นรับทราบกันเชื่อกันตามประเภทนั้นเช่นช่านพุ้ศกิจห้าอย่างนี้นะเป็นกลางๆท่านสอนได้นี่ก็ท่านสอนเยนดับไปตามนั้นงานของพระพุทธเจ้าห้าประกา ร, ารเช่นสร้ยนต์ให้สมใจเสนางตอนบ่ายสามโมงสี่โมงไปมัทรง ประชาชาสั่งสอนประชาชนคนละมองทางลายนับแต่พระเจ้าแผ่ดินลงมาพราะดรอเที่พิูอวายังพอข่เข้ามาอบรมพระนี่เป็นขั้นเป็นขั้นสอนมระชาชนสอนแบบหนึ่งสอนพระสอนอยู่แบบหนึง่งหงสองแล้วอัจรยเจเสีปัญหากลางพอหกทุ่ม เราเชื่องคืเนเราแก้ปัญหาและเทศนาว่าการอบรมพวกเทศต่างๆตั้งแต่ท้าหมาพมอยู่มานี่ยคือประชาชนก็บายสีมองนี่คือประช า, นานะชานที่จองข้ามกับพระพึ่งจังดิกมาก็เทศสอนเทวดาอย่างนี้คือเป็นแบบเดียวกันมีอยู่อย่างเดียวกันเป็นแต่ความดากความละเอียดของร่างกายและจิตใจมันก็เป็นแบบเดียวกัน ถึงพอหกชุ่มแล้วนั่นงสอนพวกเทพทั้งหลายตั้งแต่เท้ามาผมมลงมาในระยะหกชุม่มสอนพวกเทวดายทั้งหลายเหี้ยพระโอวาทลบได้อย่างไรถ้าเราก็ต้องลบหมดพวกเราอยากให้มีเลยใช่ไหมสมัยเจริญงายอยากให้มีอืพวกนี้มันตายไปหมดแล้วไม่ต้องสอนมันเข้าใจไหมมันไม่มีมนุษย์มาสอนอุศิสอนหาอะไร แต่น so so ี่กับมนุษยก็มีอยู่อย่างนั้นาช่ไหมล่ะนั่นในตอนท่านสอนพระพระก็มีอยู่นะในตอนดยุขึ้นมาก็สอนพวกเชิที่กายชื่มท่างก็สอนตาแบบนั้นไปเรื่อยๆจนช่างถึงปลาโลเช่พิกล่ะอย่างเช่นแล้วท่านจะชื่อปลากระขัง้ะไรต่างนั้นมาก็บลาประเดววิโรกานงที่สี่ เรียงยานดูสัตวโลกนั่นเห็นไ้มอ่ะสัตวโลกใครที่จะมีอุปนิสัยปัจจัยที่ควจรจะมรรคผลที่ผ่านซึ่งควรจะพอปวดได้ในระยะใดการในพระองค์จะมีอุบายไปโปดวดผลไดไ้นั่นเนี่ยเนี่ยเรียนญานดูสัตวโลกมีความเหลื่อำย่ำต่ำสูงความหนาความบางต่างกันเนี่ยจิตใจไม่เหมือนกันนะเนี่ย ท่านยังยาณดูสัตวโลกตอนปัจฉิมยามยังยานดูสตัตวโล ก, น, ล น, โลกนี่เป็นประจําเรียกว่าพุธธธทธชติหงานของพระพุทธเจ้าห้าประการดีปักจุดเช้าปิณตร า, าตักฐอนชเชาเสด็จออกบินส บ, บายนี่เป็นปกติของพระพุทธเจ้าะะเวลาเสด็จออกบินส บ, บายพวกเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วสมบูรณ์ให้ทานกับท่านเป็น มุนมาขุ่นร้อนคนอ้นเดี๋ยวนี่นี่กิห้าประการเป็นงานของพระพุทธเจ้าถ้าลบอันนี้นแล้วก็ลบพระพุทธเจ้าเสีย อ, อย่าให้มีถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อตามเป็นขั้นเป็นภูมิเป็นขั้นเป็นภูมิไปอย่างไงท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเป็นจรนะิงนะท่านไม่ได้สอนแบบรูปคำคำพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดไม่มีคําว่าผิดว่าพลาด คืพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนแบบเดียวกันถ้าลงได้ว่าอย่างไงเป็นอย่างนั้นเรื่องยานดูคน้อแน่นทรงสาบรับสั่งอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้คือข้าญาอย่างทราบเป็นความแน่นอนและเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นตามนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าสอนโลกในสอนสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้น ยาบและเหยียดต่างกันภูมิใดภูมิใดเช่นอย่างกายหยาดอย่างพวกเราก็สอนอย่างนี้แนละ้วพวกละเอียดก็พวกเทศทั้งหลรตั้งหมาผมไปเรื่อยไปย้อนท่า น, น, นสอนเป็นระยะระยะท่านสอนไม่ได้แบบสอนดูตลี่นะครัพผูพ้ทีเจ้าที่ลงกันอย่างราบแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือ พรอรหันต์กพระพุทเจ้าที่กิบบริสุทธิ์เหมือนกันหมดนี่ไม่ถามกันไม่มีคำว่าถามกันและไม่มีคําว่าจะไปถามพระพุทธเจ้าว่าเราตัดรูดหรอย่างไม่ถามพระพุทธเจ้าผมก็จะจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ารูปร่างกายตัวนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้านะส่วนพุทธแท้คือกายที บ, บริสุทธิ์นั่น พระพุทเจ้านิพพานก็คือร่างกายนี้มันดับสูญไปเช่นเดียวกับเราเนี่ยยีวานิพพานไปธรรมชาติอันนี้อันนี้เหมือนกันหมดเลยพอถึงนี้รูปผางก็ไปตรงนี้มากระจายถึงกันหมดในเวลาเดียวกันเลยไม่มีเรืล่ามเวลาใะที่จะมาตัดทอนมาทวงอไว้ได้เลยพอถึงปั๊บนี่จ้าถึงกันหมดเลยเพราะว่าพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สงสัยกัน เป็นอะไรเดียวกันหมดเลยมองดูใจดิปาบเป็นอะไรเดียวกันหมดเลยนั่นนี่ท่านจะเชื่อผูเ้เชี่ยวไหนกมหัวใจยอยู่กับท่านทุกอย่างพร้อมอยู่กับท่านพออยู่กับท่านแล้วแล้วท่านจะไปถามไข่เนี่ยเนื้อเคยเที่ยวให้ฟังแล้วเหมือนน้ามหาสมุทรเนี่ยฝนจะตกมาจากบนฟ้าหรือมาจากลาคลองไหลก็ตามพอ ลงถึงมหาสมุทรแล้วเป็นน้ามหาสมุทรเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าต่อว่าใหม่ไม่ว่าตกมาจากบนฟ้าหรือสารอย่างไรเป็นน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมดเลยต่อลงไปตรงไหนเป็นมหาสมุทรเลยอันนี้คือของท่านผู้บรรลุธรรมพอถึงนั้นปั๊บนี่ก็แบบเดียวกันเลยเป็นมหาวิมุติมห า, านิพายเพราะฉะนั้นท่านจย่าม่ถามกัน ถามปัญหาอะไรนี่นการเดียกวกันแล้วนะั่นังจะนั่นนทีเสยอยู่าปาปิโยไม่มีคำยิ่งยอง ก, กอกันเสมอกันหมดเลยคือจิดถึงทั้นที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลยแยกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่คนนี่แหละที่ว่าสุดทสุดยอดสุดแห่งความทุกทั้งหลาย ชุดตรงที่จิตบริสุทธิ์เต็มเนี่ยวแล้วเป็นธรมชาติเป็นอนันตาการนิพพานเที่ยงคืออันนี้เองมีบรรดาพระุทธเจ้าทั้งหลายที่เป็นนิพพานเที่ยงมากขนาดไหนนับไม่ได้นะแต่ท่านผู้รู้นะท่านไม่สงสัยกันมีมากขนาดไหนท่านไม่สงสัยกันท่านเชื่อแน่ขนาดนั้นนะท่านไม่จําเป็นต้องเอามาใครมาเป็นพยานว่ามีพระพุทธเจ้ากี่พระองบอกว่าให้ไป น, นับดูเม็นามม้าเลนหาสมทุทรที่มีกี่เม็ดเท่า น, นั้นพอ น้าหาสมุทรมันยังมีขอบมีเศษมีฝั่งอยู่นะน้าสมุทรถึงกว้างมันก็มีฝั่งถึงกว้างถึงลก็มีฝั่งความกวาม้วางความลึกของมันอยู่ืแต่ธรรมชาติมีครอบหมดเลยนั่นเแล้วเราจะอะไรมาวาดัดมาตวงวัดไม่ได้แต่ท่านไม่สงสัยกันเลยเช่นเดียวกับน้าหมาสมุทรมองไปแล้วไม่สงสยัยเป็นเหมือนกันหมดมีเสียบไปแล้ว น, นะมีทุงท่านที่เป็นธรมธรมชาติแล้วเหมือนกันหมด ไม่สงสัยกันเลย น, ะ <c oughs> นี่แหละจิตที่พ้นจากทุกข์แล้วเรียกว่าเที่ยงนิพานเที่ยงก็คือธรรมธรรมชาติอนี้หรือธรรมธาตุนั้นแหละเรียกว่านิพานเที่ยงหมดทุกข์โดยประการทั้งบวกคือจิตนี้มันแหวกมันว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหน้าต่องเทีย่ยวคือจิตดวงนี้เพราะมันมีสมมูลอยู่ในนั้นี่เหศอยู่ในนันพาให้เกิดให้ตายแล้วก็มีบุญมีบาปอยู่ในนั้นแทรกไปในจิต ของานจิตจรงไปสูงสูงต่ำต่ำเราร่วมเรารอดได้สม่อเสมอด้วยเหตุนี้ทางจึงให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องขยุงจิตให้เลยไปสู่ระาสที่ดีคติที่เหมาะสมสมหวังไปโดยลําดับกําดงเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นหนุนถึงปัเลยนั่นบุญกุศลสร้างถึงไปหนุนด้วความเพื่อถึงความค้นทุกแต่สร้างบาสร้างกรรมสร้างเท่าไรยิ่งหมุนลงหมุนลงไม่มีสิ้นสุด การสร้างบาปไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดหมุนตลอดแต่การสร้างบุญสร้างกุศลมีที่สิ้นสุดเมือถึงนิพพานเนี่ปั๊บหมดทุกไม่มีอีกเลยอยางนั้นอาจารย์จำมา น, นะมีู่ดสอนจะสอนว่า น, นี้มีโอกาสคนทุกคนเนี่ยูดสอนกลางสวรรเ น, นี่ก็ไม่มีวันไหนแล้วที่จะนั่งนานๆคุยกันนานอย่างนี้ใจเล อ, อะวันนี้พูดนานเทศสอนข้าก็ต้อง เป็นกันอย่างนี้เทศสอนอยู่มันเป็นห้ากันละมั้งเนี่ยนะเทศเล่เทศเล่าอยู่งั้นอืมความตัณสร้างความดีมีที่สิ้นสุขทางความชั่วไม่มีเลยแต่ที่เวลานี้กําลังหนาแน่นโอ้ยเราพูดถึงเรื่องของที่ได้แม่สรดสังเวชนะเลยไม่อยากพูดดูมันโสโครกเอาเหลือประมาณสัตโลกก็เพลินกับมันตลอด เวลาไม่มีใครจะเกินหลาดอีกพอกับเรื่องของเดศหลอกสอนโลกน่ะเนี่อยลำบากพระพุทธเจ้าจริงอ่ อ, อนคดไทยย่ทอท่อคดไทยที่สอนโลกทั้งทั้งที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งได้เป็นพระพุทธเจ้ามันจะสั่งสอนโลกสั่งสอนโลกทรงสะละความทุกข์ความลำบากมาขนาดไหนก็ไม่มีใครเกินจากเจดดาโพธิสัตว์นั่นแหละแต่พอเรามาตัดสู้แล้วมันจะสั่งสอนโลกนี้ มันแค่ว่ยจะผมมองดูไม่ได้บางอะไรครับสง่งข้อพระไถ่คือมันหนามากเวลาคุยเสียขุดคนแล้วก็อันไหนที่ควรจะมีใสเพระองค์ก็สอนเลยเอาไปได้ที่เท่าที่ควรเอาไปได้ไปได้เอาไปได้ไได <c oughs> ที่อยู่ในขายของพระพุทธิเก้าที่จะทรงโปรดได้ก็โปรดได้ผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมเป็นผู้จะไปได้ ถ้ผู้ไม่เชื่ออะไรเลยไม่มีทางอื ừ, ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปทํทาตามความชอบกาลซึ่งเป็นเรื่องของวิเศษให้สร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นผู้นี่ไม่มีความหมายเลยเรวยตายว่ากี่กับกีบ่กันก็แบกทุกม่มอยู่นั้นตลอดผู ừ, ้ที่กลัวบาปกลัวกรรมเชื่อบุญเชื่อกมผูน้นี้มีทางจะออกได้เลยโอเหนื่ยอยโอ้อะไรที่มันพอแล้วนะโอ้เหนื่อยเหนืย <c oughs> ให้นาแล้ววันนีน้ากทุกวันมีให้ผาันฉันรบังเนี่ยีต่หลวงตะบัวปีกเข้าไปแล้วมันก็เป็นเดนผ้ากันฉันซ้ำไม่ได้มีวินัยนะฉันน้แก้วเดียวกันห้ามแน่ตันห้ามอันนี้ฉันน้ำแก้เดียวกันเพ่ก็ห้ามถ้าลินไปฉันนี่เป็นไร ถ้าฉันแกเดียวกันนี่เช่นอย่างกูอะไรโคร่าอันี้อ ว, ว่าวเทนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ในแจ้งอนนี้เอาอมาดื่มนีเป็นเดนแนละ้วห้ามไม่มาฉันซ้ำกันประปวัติเนี่ยอไ่งั้นอันนี้เราจะฉันนี้แล้วก็จะแจกพวกเปลือกเนี๋ยวนี้นาละ ฟังนะเราถามเสร็จแล้วเราจะแกะพวกเปรตตัวนี้พูดได้ทุกแบบนะแบบอย่างนั้นพูดได้ทุกแบบเลยเป็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำน้ำตาลสดมีแค่ว่าน้ำตาลสดหรือมีอะไรผสมไม่มีเหรอ อมีแต่น้ำตาตสดเลยนี้พวกเปรกมันชอบเอาเอาไปอันนี้ให้ฟ้ากันอันนี้ก็ไอ้พระเราก็ฉันแล้วนี่อะไรก็ฉันแล้วจบเลยแล้วจากนี้เราก็จะไปก่านเนี่ยอะไรทานขออนุญาตลูกศิษย์เขามีปัญหาภาวนานิดหน่อยก็เมตตาเลยครับอะไรเนี่ยอะไรก็เวลาเขาภาวนาเมื่อก่อนมันเขาสว่างมีแสงสว่างใน ในดวงอกเฉยๆตอนนี่เมื่อก่อนตะหวางเฉยๆตอนหลังนี่ตว่างแล้วเป็นมีแบบคล้ายๆดวงจันทร์ดวงเดียวปรากฏแล้วต่อมาก็เป็นสองดวงแล้วก็ลอยหายไปแล้อยากถามว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดแล้วใช่ทางไงต่อไปครับวเวลาจะหลงมันเป็นขึ้นมาในทางจากอาการของผิดนั่นพหละนะเงิ น, น, นออกไปก็ออกไปซะ เราจะเพิ่งดูมันถ้าเราอยากจะถอยเราถอยกลับถึงงนั้นก็หายไปเข้าใจหรือก็มีสัญลักษณ์นี้เป็นอาการต่าบหากหลักใหญ่คือจิตให้สงบเวลาจิตรวมลงไปแล้วให้สงบถ้าออกทางหน้าปัญญาอย่างที่เท่นี้ออกปัญญาปัญญานี่แพรพรามมากนะไ <c oughs> ม่มีอะไรเหมือนง่ายๆนะปัญญาปัญญานี้พิสดารมากพอถึงขั้นปัญญาแล้วจะเข้าใจกันเองเราจรึงไม่ได้บอก กิเอาการของปัญญาเป็นยังไงไหมเราไม่บอกพอกล้าไปแล้วมันจะเข้าใจเองเข้าใจเองขออน้ญาตขมาจายกิเลสได้เป็นที่ขอใจถ้านั่นเราไมมีอะไรอีกล่ะไม่มีานนนะเขาผมได้ฟังแล้วครับเขาอยู่แถวแถวนี้เขาอยู่แถวแถวนี้ผมได้ฟังแล้วครับเออถานั่นแลนะแล้วอันนี้าวยพระนั่นใครยัมายุ่งนั่นไม่ได้นะใครยัมายุ่ง เราเป็นบ้าป่าคนเดียวใครไม่มาชุมอะไรล่ะจริง น, นะพอสองทุ่มคขึ่งแล้วตอนนี้มาถึงตะวันพอหโมแล้วมาลงกลางกระถิน่นแล้วแล้วก็เทศเลยนะครับเทศจบลงแล้วก็เทศทีปะ ไ, ไปเรื่อยๆเลยจนมาตั้งป่นี้นะจนเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วอันนี้กับฉันเนยฉันทุกอย่างถ้าฉันอะไรนั่งหนาเดี๋ยวนี้กัฉันให้หมดดัน เหนอยหนื่อยเ่ข้าท่านจอกันทั้นฉันข้าในวันนี้เต็มวันนี่เต็มหมดนี่มันอะไรนี่เหรอ อ, อะไรอันนี้ก็เป็นเดนใครอะไรก็เอาออกใหมดอันนี้ก็เป็นเดนใค้ฉันก็ได้อันนั้นเป็นเดนถ้าฉันเสร็จแล้วผ้ามาฉันซ้ำอีกไม่น่ า, าประมาทถ้าเป็นเทใส่ยั ง, ยง โคก้าโคล่าไม่เป็นไรเท่เจ้าเหลือเยอะน้อยไทยจันทร์ก็ไล่เหลือไปนะไปแล้วเหลือพักหนึ่งจากอนี้เอาอออาอดีจะมาไหนถ้าาอยู่ที่กรุงเทพจะผ่าแล้วหนูว่าย้ายไปอยู่หนองบัวแล้วก็จะกลับกรุงเทพเหมือนเดิมเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีมากเจ้าค่ะหลงตเจ้าค่ะดีมากเจ้าค่ะ 反正就是说，反正讲那个点，这啥不啥不。